บทที่48 03.30 แนย์สามน์เระพินภัยวันตื่นขึ้นมาด้วยอาการเขย่าพลุกที่ปลายเท้าโดยใครคนหนึ่งพร้อมกับเสียงกระซิบเรียกแถวเบาแต่ร้อนรนว่านายนายเขาตกปีกหมวกขึ้นขยายม่านตาก็เห็นว่าคนที่ปลุกคือเจ้าเสยพรานเด็กหนุ่มของเขาขณะนั้นอากาศหนาวจับใจไฟแทบทุกกองที่ก่อไว้หลีมอหือแต่เฉพาะทานแดงๆคงมีลูกพร้อมแพลมอยู่บ้างก็เฉพาะกองใหญ่ที่ก่อไว้ทางด้านปลายท้า ของกระจมที่พักนอนของนายจ้างอเมริกันเท่านั้นลักษณะของเสยเต็มไปได้วยความรีบด่วนตาเบิกกว้างเห็นแต่ตาขาวกอกลอกแหลกพรานใหญ่ดึงตัวขึ้นนั่งทันทีแล้วก่อนที่เขาจะเอ่ยคำใดขึ้นนั่นเองเสยก็บอกเร็วปรือว่านายลุงคํากับน้จาจันกลับมาแล้วจองผ่านแทบกระโดดผางขึ้นยืนความอ่อนเพียงง่วงเงียหายเป็นปลิดทิง้งจันกับบุญคำกลับมาแล้วอยู่ที่ไหนเสยชี้มือไปทางด้านที่ต่าลงไปเสียงพูดยังอยู่ในอาการเดิมโน้ยนายสองคนนั้นไปนั่งหนาวจัน ง, งกกๆลบอยู่ใต้เพิงหินต่าลงไปสักสอสเส้นเส จะจุดไฟผิงก็ยังไม่กล้ากลัวพวกเราในแคมป์จะเห็นแสงกับควันนั่งจ้องกันอยู่สองคนหน้าซีดเหลืองเป็นผีเลยคําบอกเล่าของเวยมันฟังรู้สับสนไม่กระจ่างยางไรชอบคนเราพินขมวดคิ้วจ้องหน้ายเจ้าเด็กหนุ่มของเขาบอกให้ช้าๆชัดๆสี่เซย์บุญคากับจารย์กลับมาแล้วสุดไปนั่งจองอยู่ใต้เพิงหินซ่อนตัวอยู่ทําไมแล้วนายทหารเชริดวุฒิกำแนมคริสละไม่มีแหมคริสกับนายทหารเชริดวุฒไม่เห็นมาด้วยเล ย, เ, ลยเห็นแต่ลุงคํากับนักจันเท่านั้นถามอะไรก็ไม่ยอมพูด น้าจันแอบโผลด้อมๆเข้ามาที่ปางพักของเราเมื่อกี้นี้ผมกำลังอยู่ยามแกไม่ได้เข้ามาในปางพักแต่ด้อมแอบอยู่หลังก้อนหินเปลวชัญยาณใบไม้เนี่ยผมเอาไปดูก็เห็นแกแอบซุ่มอยู่คนเดียวบอกให้ผมแอบมาปลุกนายโดยอย่าให้ใครเห็นบอกให้นายตามไปพบตรงที่แกกับลุงคําซุ่มตัวอยู่ข้างล่างยอดเนินนี่ก่อนจะมาปลุกนายนี่ผมตามน้กจันลงไปก่อนแล้วก็เห็นลุงคํานั่งทางสั่งงกงักอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่เห็นแหม่มกับนายทหารอยู่ด้วยเลยจะทำอะไร2คนก็ไม่ยอมบอกเล่นให้มาตามนายอย่างเดียวเท่านั้น ล้พลินใจวูบไปถึงปลายเท้าลุกขึ้นยืนทันทีตาจ้องไปยังกระจมุมภาคของนายจ้างซึ่งขณะนี้มีด็อกเตอร์แซนลี่คีตอิสตาเบลนอนกันอยู่โดยมีเกิดเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเขาไม่แย่ใจว่านายจ้างทั้งสามขณะนี้จะมีใครตื่นอยู่บ้างแต่เชื่อว่าสําหรับแซนลี่กับคีคงจะหลับสนิดแน่เพราะสะบักสะบอมทั้งสองคนประกอบกับยานอนหลับที่หมอเบลให้วันส่วนตัวหมอเบลไม่ทราบว่าจะหลับหรือเปล่าคํารายงานของเซยถึงแม้จะไม่กระจ่างชัดไดใดเลยก็บอกสัญญาณร้ายที่เขาสังหรณ์ไว้ให้ประจักษ์สำหรับบุญคํากับจันนั้น หดรอดออกมาได้จากใต้โพรงถ้ำภายหลังหินถล่มล้มกรบแล้วแน่นอนและโสมสารมาจนถึงจุดที่นัดพบกันไว้แต่ก็ไม่กล้าที่จะโผล่เข้ามาให้ใครเห็นเพียงแต่ส่งสัญญาณให้เขารู้และปรารถนาที่จะพบเขาโดยเร็วที่สุดในขณะนั้นคงเรื่องมาจากความวิตกอะไรสักอย่างซึ่งเขาก็ไม่อยากจะคิดในขณะนี้เพราะก่อนจะจากกันโดยแบ่งฝ่ายกันออกเป็น2ฝ่ายพวกเขานําคีสแตรนลี่และอิตซาเบลปีนขึ้นหน้าผาเผชิญหน้ากับมันใจส่วนบุญคําและจันท์นําเชิดวุฒกับคริส เป็นฝ่ายเดินล่อเข้าไปในช่องเขาตัวเขาเองก ำ, กำชับสั่งไว้แล้วว่าถ้าหากเทวดาคริสได้รับอันตรายถึงชีวิตโดยทั้งบุญคําและจันไม่สามารถจะช่วยไม่ได้แล้วก็ทั้งบุญคําและจันไม่ต้องโผล่กลับมาให้เขาเห็นหน้าอีกแต่นี่สมุนซ้อยขว า, ข, วาของเขาเอาตัวรอดมาได้แล้วไม่กลา้ากลับเข้ามากลกวตัวในแคมป์หากจะไปซุ่มแอบอยู่เพื่อรอเขาอย่างเป็นความรับอาการเต็มไปได้วยความประวันิรั้นปรึทําไมทําไมบุญคํจาจะจันรอดออกมาได้แล้วเทวดว ด, ดกับคริสอยู่ที่ไหน เกิดอะไรขึ้นในเมื่อทั้ง4คนเดินเกาะหมู่ไปกันอย่างใกล้ชิดที่สุดในภาวะที่หินถล่มลงนั้นพานใหญ่กาเลมฟิปปากเ น, น่จะสอบสักถามอะไรเสรยขณะนี้ต่อไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแน่นอกจากตัว เ, เองจะไปเพิบุญธํากับกันให้เร็วที่สุดเพื่อรีดเอาความจริงเสยแกรออยู่ตรงนี้ฉันจะย่องไปดูกระโจมพวกในห้างก่อนว่าแล้วรพินก็ออกสาวเท้ายาวๆตรงไปที่เต็นท์ของคณะนายจ้างทันทีพอใกล้เข้ามาเขาก็แผวฝีเท้าเป็นย่องค่อยๆแหวกประตูกระโจมโผล่หน้าเข้าไปดูภายในกระโจมพะ แอนลี่คิดภายในผ้าแบล็งเกตผืนเดียวกันนอนในลักษณะรับเป็นตายหางออกมาอีกเล็กน้อยคืออิสซาเบลนอนตะแคงตัวคู่อยู่โดยหันหลังให้ประตูกระจุมเนอาการหลับสนิทเช่นเดียวกันเกิดนั้นนอนขวางอยู่ทางปลายท้าของทุกคนพินประตูกระจุมและพินทดลองโดยสบัดฝาไลเตอร์แบบซิปโป้ของเขาให้เปิดออกดังแก๊กเพียงเบาๆครั้งหนึ่งเท่านั้นเกิดก็ลืมตาขึ้นทันทีแสดงว่าพันของเขาอยู่ในภาวะที่พร้อมเสมอพินเอานิ้วจัดริมฟี ป, ปากไว้เชิง ม, มึงคับให้เกิดเงียบคริบที่สุด ตนเองมองสำรวจไปยังในจ้างทั้งอีกอึดใจหนึ่งระวังนั้นเกิดนอนนิ่งลืมตาโพร่งมองดูเขาอย่างพิศวงตาใหญ่ก้มลงสพตาแล้วกระ ด, ดิกนิ้วเป็นสัญญาณให้คนเขาตาออกมาแล้วตนเองก็ปล่อยผ้ากระโจมลงหลบออกไปยืนคอยข้างนอกไม่ถึงอึดใจโดยก็คลานออกมาเบากลิบมห า, หาหน้าตื่นทั้ง3คนรับขึนเหหรือเปล่าเกิดเขาก็สิบถามเบาที่สุดหับเป็นตายเลยครับนายสําหรับในห้างคิดกับในห้างบ๊อกแจมแอนเบเพิ่งจะหลับไปสักชั่วโมงที่แล้วเห็นจะได้ กอนลับเห็นกระสับกระสายพลิกไปพลิกมาอยู่นาะนแล้วก็ลุกขึ้นมาซักยาอะไรก็ไม่จ้าเอาเสียนหลายเม็ดทีเดียวงเงียบไปได้เกิดรายงานดีแล้วทฉันกับเซยจะออกไปนอกบริเวณปางพักสักครู่ตรวจกลับไปนอนที่เดิมระวังมิ้งถ้าใครเตือนขึ้นมาโดยเฉพาะแม่เบลถ้าถามถึงฉันก็บอกว่าเดินตรวจบริเวณและพยายามบอกให้นอนเะตามเดิมอ้าวแล้วนี่นายจะออกไปไหนเกิดทำหนางงกระพิมกับไลไม่ต้องถามหรอกทําตามคําสั่งก็แล้วกันเจ้าพรานหนุ่มรับคำอย่างว่าง่ายคลานกลับเข้าไปในกระโจมนายจ้างตามเดิมกระพิมก็ปรี ตรงมาที่เสยพวกกาลังยืนคอยอยู่ในเงามืดไปเสยพาฉันไปพบกบุญคําและจันเดี๋ยวนี้ามันจะยังไงจะแล้วแฮช่วยได้ไรเฟิลเป้ประจําตัวตวตัดขึ้นพาดบ่าพาบอปลดภัยก็เร้นตัวจากบริเวณแคมป์ที่ผัดตามหลังการนําของเสยไปอย่า ง, งเงียบๆโดยลัดลาะไปตามป่าหินของยอดเนินสักดาโดยไม่ได้พูดคาใดกันเลยท่ามกลางความดําสนิทของราตรีเมื่อไม่กี่อึดใจเท่านั้นเสยก็นําเดินลงเนินด้านใต้ตไปตามขอบทางอันสูญชันแล้วก็มาถึงสะพักหินบริเวณอุดมไปด้วยหนอหินล้วน ระพินชายไฟปราดออกไปก็แลเห็นสองพรานอุโศอันเปรียบเสมือนแขนขวาและซ้ายของเขานั่งจับเจ้าอยู่ใต้เพิงหินที่ชงโงกเป็นหลังคาออกมาทั้งสองพรานมือดีมองเห็นหลำแสงไฟฉายก็พากป็นถลันลุกขึ้นยืนทันทีแต่ก็ดูจะยืนนิ่งซึ่งกระถือจนไม่ปิดปราคําใดออกมาทั้งสิ้นจนกระทั่งระพินเข้าถึงตัวตัว เ, เองก็ยังไม่เอ่ยคําใดในขณะนี้แต่ส่องไฟตรวจ ด, ดูหน้าและร่างกายของคนทั้งสองเพื่อให้รู้แน่ว่าเป็นบุญคากับจันแน่ไม่ผิดตัวไป ทังสองขมุกขมองผุ่มเต็มตัวท่าทางอีบัดอิโรยเต็มทนเสื้อผ้ารุ่งริงและหน้าซีดเหมือนผีมีรอยถลอกปอกเปิกแทบทั้งตัวและดูว่าไม่มีอะไรสาหัสมากไปกว่าความหวาดวั่นตกใจใกายทั้งสองสั่นอยู่เล็กเล็กจเกิดจากความหนาวเย็นของอากาศหรือเพราะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจทราบได้เอาละบุญคำการตั้งสติให้ดีเสก่อนค่อยๆเล่าให้ฟังก็ได้ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรทั้งสิ่ง น, นั่งลงเขาพยายามบังคับเสียงพูดของตนเองให้ฟังดูเป็นธรรมดาที่สุดทั้งที่หัวใจร้อนแทบจะระเบิด บุญคำกับจันรค่อยๆย่อนตัวลงงั่งแปะลงไปกับพื้นตามเดิมกระพินจอดมือเข้าไปในเป้หลังยังไม่พูดอะไรต่อแต่งัดเอากรติกบรันดีออกมาส่งให้ทั้งสองตะคุไปดื่มยังกระหายคนละหลายอีกมันจะเป็นการดับความรู้สึกวุ่นวายใจอยู่ในขณะนี้แล้วระบายลมหายใจเฮือกใหญ่ป้ายแขนเท็ดบริมฝีปากพอดีกรีของแอลกอฮอล์เริ่มร้อนวับไปทั่วทุกเส้นเลือดอาการของส ม, มุนไพรของเขาก็จะดีขึ้นเล็กน้อยนายเสียงแหบๆของตะท่าบุญคําดังขึ้นเป็นครั้งแรก บุญคาก็จันทเสียใจจริงๆที่กลับมาให้นายเห็นกันเพียงสองคนเท่านั้นและยังไม่กล้าโผล่เข้าไปในแคมป์ให้ใครเห็นก่อนบุญคําเสียใจจะพูดได้แค่นั้นก็หมายความตามนั้นจริงๆ จ, ง จ, งจากสีหน้าอาการสีหน้าเหมือนคนจะร้องไห้ประพินตบลายพลาญของเขาหนักหนักแล้วว่าไม่ต้องกลัวว่าฉันจะว่าอะไรทั้งสิ้นฉันต้องการรู้ความจริงทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงไหนลองค่อยๆเล่าไปสิแล้วนี่มาถึงที่นี่กันตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่ จันกับพี่คำมาถึงที่นี่สักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้จันเป็นคนบอกครึ่ง น, น้ำเสียงเครือสั่นเช่นกันปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีไม่กล้าเข้าไปพบนายกนายห้างพวกนั้นนั่งหนาวันอยู่ตรงนี้และพี่คำก็บอกว่าไม่มีทางจะทำอย่างอื่นได้นอกจากจะต้องแอบไปบอกนายมาจันถึงได้ย่องเข้าไปเรียกไอเ้เซย์นายจะตีจะด่าจะฆ่าจะแกงยังไงก็ยอมแล้วไม่รู้จะทำยังไงถูกจันกับพี่คำพยายามกันเต็มที่ละค่อยๆเล่าจันลำดับภาพไปให้ดี ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะตีด่าค่าแกงอะไรหรอกถึงยังไงเหลือรอดมาได้สองคนก็ยังดีกว่าหายไปเสียทั้งหมดสคนไม่รู้เขาวอะไรว่าไปให้ละเอียดที่สุดฉันกับพวกเจ้านายแต่พวกเราทุกคนเป็นห่วงจนบอกไม่ถูกแทบไม่มีใครได้หลับนอนกันเลยเอ็งเล่าไปไอจันข่าตอนนี้พูดอะไรไม่ถูกแล้วเจ้าบุญคำหันได้บอกกับมือรองโดยกรติกบลัลนีไปซัดเอึกใหญ่แล้วก็นั่งกุมขมับหลับตานิ่งก็ไม่เคยเห็นลักษณะของบุญคําท้อแท้ผิดหวังเหมือนครั้งนี้เลย ในชีวิตแกลงกระด้างพระ จ, จนภัยร่วมกันมาบุกปราบทุกตรงลักษณะของบุญธรรมขณะนี้เหมือนตัวเองอยากจะกลั้นใจตายเสียลุลเล้าลุลอดจนถึงขนาดเสยต้องเข้าไปจับแขนกระสิบปลอบใจแกเพราะรู้สึกเหมือนได้ยินแกร้องไห้อยู่ฮึดๆึซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเสียงทุึมพำพลเสื่อื่นออกมาว่านายไว้ใจกูแต่กูก็ทําพลาดจนได้ผีสางเทวดาเท่านั้นที่รู้ว่ากูกับไาจย์พยายามจนสุดฝีมือแล้วรับปากก็นายไว้ดิบดีว่าทั้งสองคนนั้นเป็นอะไรกปกูไอจันจะไม่โผล่มาให้นายเห็น แต่นี่กูก็ไอ้จันร์ยังหน้าด้านมาทําใจดีๆไว้ลุงคําจะเพิ่งตีโพตีพายอะไรไปเลยไหนท่านจะต้องรู้อะไรดีที่สุดไม่โทษลุงคํากับน้าจาันโดยไม่มีเหตุผลหรอกเสยกระซิบปลอกเสียงตะเภาลําพันต่อไปว่าตั้งแต่ไอภูเขานรกนั่นมันถลม่มเหมือนจมอยู่ใต้แม่พระธรณีข้าวสักเม็ดน้ำสักหยดก็ยังไม่ตกถึงกระเพาะกูก็ไอจันทรไหนจะตะเกียกตะกายเอาชีวิตให้รอดไหนจะพยายามค้นหาไอ ห, หนุ่มอีสาวของคนนั่น ไอ้เฉยเอ้เลือดตากูเทบกระเด็นนี่ไม่ใช่ว่าพอรอดตัวมาได้สองคนก็ตรงมาที่นี่เลยเมื่อไหร่กูสองคนมุดทำค้นหาอยู่ตั้งห้าหกชั่วโมงจนหมดแรงหมดหวังแล้วเลยต้องถอยก่อนยอมกลับมาให้นายกระทืบแล้วแกก็ร้องไห้ฮือฮือสะอึกสะอื้นต่อไปเหมือนลูกหมาหน้าหนาแล้วพินชักลำคาญเต็มทีก็ตวาดเบาๆว่าหยุดพานาเสตีตะคำถ้ายังพูดไม่รู้เรื่องก็ลงนอนพักก่อนโดยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นปล่อยให้จันพูดเฉียบขาดและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเยังตะคำเงียบกระเ็นไปทันที แต่ล่อบลันดีเขาอีกจนแทบจะหมดกระติกแล้วก็นั่งกอดเขา่าเจ้าจุกเหมือนท่อนหินการพู้ดูเหมือนจะควบคุมสติได้ดีกว่าลูกพี่ยิ่งเงียบไปครู่เหมือนจะลําดับภาพแล้วก็เล่าวะนายพาพวกสามคนปีนขึ้นไปหน้าผาจันกับพี่คําพาสองคนเดินเข้าซอกก็ชี้หมายนักแนะ ก, กันให้รู้แล้วว่าจะต้องเดินอยู่ริมทางหนอหินสามหนอตรงนั้นจะเป็นรูโพรงทางที่จะมุดเข้าไปได้แต่จะเป็นโพรงขว้าสุดทางซีกซ้ายของหน้าผา รอบเป็นโพรงที่พี่คําเคยเข้าไปหาเหล็กไหลมีทางทะลุออกได้สมุนทรายของเขาพูดเสียงหืดเหือดอยู่เช่นนั้นละพินอัดอัดบุหรี่เต็มปอะและเม้มดิ้นีิปากแน่นไมยักหน้าให้พูดต่อก็พูดบอกย้ําแล้วย้ําอีกแต่ทั้งนายทหารกับแหม่มคริสจะฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นเดินคลอคุยกันหนุ่หญิงอยู่ข้างหลังจันกับพี่คําต้องคอยเลี่ยงให้เดินตามหลังมาใกล้ๆ ก, ก, กันตลอดเวลาถึงงั้นแกทั้งสองคนก็ยังเว้นระยะห่างไปประมาณสักสี่ห้าว่าห็นจะได้ดูไม่สนใจหรือเชื่อว่าหินมันจะถล่มลงมาเลย จันกับพี่คำซะอีกขณะที่เดินไปค้าก็สันตลอดเวลาคอยแงะดูข้างบนอยู่เรื่อยใจก็ภาวนาระหวังว่าเมื่อไหร่มันจะล่นลงใส่หัวต่อไปสิต้องอึดใจก่อนหน้าที่มันจะคลื่นลงมานั่นเลครับแต่ได้ยินเสียงแม่มคริสร้องจ้าลั่นตะโกนอะไรลงเล่งเข้าใส่นายนทหารและตรงเข้าไปทุบตีถ้าทางจะโกรธจัดตอนนั้นนายทหารร้องเพลงเพลงฝรัง่งอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เข้าใจว่านายทหารเชริดวุดิร้องเพลงและแม่มคริสจะต้องเต้นเป็นนิ้วด้วย จาว่าแหม่มจะด่าอะไรใส่คะแนนไม่ทันทีเดียวก็ตอนนั้นแหละคร่ะภูเขาเหนือหัวมันก็ถล่มลงมายังกระฟ้าแล่นเฉะชนดินการกับพี่คําตกใจแทบเยี่ยวล่ะร้องตะโกนสุกเสียงให้หลบเข้าช่องไม้ตาไว้ก่อนแล้วแต่สองคนนั้นยังทุบ ก, กันนัวเนี่ยห่างออกไปข้างหลังตั้งเกือบสิบวาเห็นจะได้ไอ้ข้างบนก็ครึกครึกลงมาแล้วยังกระหาฝนฝุ่นมันตลบลงมาบังก่อนนะเสียงพี่คําตะโกนเรียกนายทหารนายแม่ม แล้วก็วิ่งถลาเข้าไปจะล้างตัวจะไม่ถึงครับนายก้อนหินกับเท่าครกต่มน้ํำพริกกระแทกไหลายพี่คำโครมเดียวขมาหน้าล้มลงไปกับพื้นหน้าฝาหินยังโนปูดอยู่นั่นจะไม่แตกเพราะหนังแกดีเห็นกันเห็นท่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยคว้าขาพี่คำไว้กระชากถูรูถูกรังเข้าไปในโพรงคราวนี้ไม่ต้องพูดละเสียงมันดังคลื่นครืนคร่นครื่นเหมือนโลกจะแตกโพรงถ้ำสมมุิหลบเข้าไปอย่างบูดวิดไว้สะเทือนไปหมด2คนนอนกับพื้นปิดหัวปิดหูอยู่ตรงนั้นนึกว่าถ้า ม, มันคงจะถล่มลงมาทับเหมือนกันจนกระทั่งเสียงหินลม มันค่อยๆเงียบหายไปนานตั้งสาสนาทีเห็นจะได้กว่ามันจะหยุดพองเงยหน้าขึ้นอีกครั้งปากโพรงทำกำนาที่นอนกันอยู่ดํำมืดไปหมดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยพินมาลงมากบปิดปากช่องหมดจันเป็นคนรู้สึกตัวก่อนเขย่าเรียกพี่คำที่แรกก็นึกว่าแกตายแล้วเหมือนกันเรียกหยุดพักใหญ่แกจิงรู้สึกตัวแล้วก็ยังนอนจุบอยู่ตรงนั้นอีกนานระหว่างที่จันทรเล่าเหตุการณ์ในนาทีวิกฤตพินแทบไม่หายใจจ้องหน้าเขาในเงาขึ้นไม่กระพริบเอาครั้งสุดท้ายล่าสุดที่จัน์กับบุญคามองเห็นนายทหารกับแหม่คริส เห็นเขาทั้งสองคนยังไงหลบมุดเข้าโพรงใกล้เคียงกับที่จารและบุญคํามุดเข้าไปหรือว่ายืนตะลึงจนกระทั่งหินมันหล่นมาทับเห็นไหมว่าหินมันหล่นลงมาบดขยี้บอกมาตามตรงเลยจันอึ้งไปนานพยายามคบคิดและหันไปทางบุญคําผู้นั่งคอเป็นตอหินอยู่พี่คําเห็นยังไงล่ะบอกให้นายฟังสิเพราะพี่คาเป็นคนวิ่งทลาเข้าไปส่วนฉันอยู่ข้างหลังพี่คาจะต้องเห็นได้ถนัดกว่าฉันประพินหันความไปทางบุญคำแต่คําบอกเล่าของจนัน ทำให้เขาสงสารแกเป็นอย่างยิ่งบุญคาเองก็รอดตายมาได้ยังมุญบิดที่สุดถ้าไม่ได้กันแกก็คงแหลกไปแล้วเพราะมัวพะวงช่วยสองคนนั่นอยู่จนตัวเองจะถูกหินกระแทกล้มลงแสดงว่าแกไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่คิดแต่จะเอาตัวรอดเลยบรันดีกระติกนั้นนายยกให้หมดเอาเลยบุญคําซัดให้เกลี้ยงแล้วพูดภาษาคนที่รู้เรื่องหน่อยบุญคําดูมันจะตื่นจากพวงังแกไม่ต้องการบรันดีอีกแล้วจะขอยาโมนจากเซย์ไปจุดซุอย่างกระหายจัดนายนายไม่ด่าบุญคํานะ ใจของแกอ่อยหน้าสมเพชอย่าโมตะกังวลเรื่องนั้นอยู่เลยนะ่ะค่ะคำฉันต้องการรู้เรื่องรายละเอียดถีท่วนที่สุดระวังเกิดเหตุตอนนั้นโมจะร้องอืดอืดอยู่เป็นลูกหมาอยู่ได้ถทำอะไรก็พูดไม่เป็นเดี๋ยวหมั่นใจขึ้นมาทนไม่ไหวจะซักก็ให้เช่าเท่านั้นเมื่อ น, นั้นเองแคร์จึงพูดมาเป็นภาษาขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ไม่ค่อยจะกระจ่างจะแจ้งนักระพินต้องคอยซักอยู่ทุกระยะตอนที่บุญคําแล่นเข้าไปจะบอกแคบ์แพ้อัตบุรีใบตองแแดงว่า บุญคำเห็นทั้งนายทหารและนายแม่มหยุดชงะงักแง้มมองขึ้นไปข้างบนตอนนั้นยืนเฉยเหมือนคนตกตะลึงบุญคำไปที่เล่นเข้าไปเฉยร้องตะโกนบอกแกทั้งสองคนด้วยว่าให้หลบแต่เสียงหินทลายลงมากรอบเสียงบุญคำเสียงหมดครั้งสุดท้ายตอนที่หินมันหล่นมากระแทกหลังบุญคำคว่ำหน้าลงไปบุญคำเห็นแวบว่านายทหารผักแมมเข้าไปตรงซอกที่ใกล้ที่สุดใกล้กับที่สองคนยืนอยู่นั่นแหละแม่มกระเด็นหัวปักนายทหารก็พุง่งเงาวตามเข้าไปบุญคำเห็นแค่นั้นแหละ ต, ตัวเองก็สลบมารู้สึกตัวอีกครั้งงกก็ตออออนนนนนนที่่้จััรร์มขยยปลณะูใโแว ไม่รู้ด้วยว่าอาจารย์เป็นคนลากพาเข้ามาจอมพานแม่นวินพิปปากก็เป็นเส้นตรงคุณคําเห็นมาครั้งสุดท้ายในทหารกับนายแหม่มก็โจนหลบเข้าช่องโพรงเหมือนกันแต่คนละโพรงอย่างนั้นลึกคุณคําเห็นอย่างนั้นแต่แวบเดียวเท่านั้นยืนยันได้ไหมว่าไม่ได้หินหินก้อนไหนหล่นลงมาถูกสองคนนั่นก่อนเขเน้นคําถามอย่างจริงจังพร้อมกับจับไล่เบาบางของตะพานเท่าบีแปลรจนแกล้องโอ้ยอันเนื่องจากไหล่ข้างนั้นก็แทบจะหักอยู่ก่อนแล้วเพราะแรงหินกระแทก ที่เห็นน่ะสองคนพยายามหลบแล้วแต่จะหลบเข้าโพรงทันหรือจะถูกหินบดจะก่อนบุญคําบอกไม่ได้เพราะตัวเองหน้าขมํำลงไปแล้วมันมีโพรงถา้าตรงหินงอกริมทางอยู่สามหนอนั่นเป็นช่องอยู่สามโพรงโพรงที่หางที่สุดหรือขวามือสุดเมื่อหันเข้าหน้าผาคือโพรงที่บุญคํากับกันมุดเข้าไปมันก็เหลืออยู่อีกสองโพรงที่เราสันนิษฐานว่าถ้าไม่ถูกหินทับแปลกไปเสียก่อนนทหารเชิดวุฒิกำแรมคี่จะต้องเลือกเข้าไปโพรงใดโพรงหนึ่ง เขจะสันนิษฐานได้ไหมว่าจะเป็นโพรงกลางหรือโพรงริมอีกด้านนลองหลับตาวาดภาพให้ดีแต่ละโพรงมีขนาดไล่เรียกกันและหา่างกนประมาณ3ามสี่วาต่อหนึ่งช่องโพรงเขาพูดช้าๆเพื่อให้สองคนตั้งสติคิดและให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดตอนที่นายทหารกับนายแหม่มตีกันยืนทางออกไปมากถ้าจะมุดเข้าโพรงได้โดยหลบหินทางท่านก็น่าจะเป็นโพรงทางด้านซ้ายมือสุดหรือโพรงแรกที่ก็ยื่นอยู่ตรงปากทางของมันนั่นแหละ บุญคำทบทวนความจำในสมองของแกปวดหนักจิ้วไปหมดเมื่อเธอคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นคราวนี้พูดกันตามตรงเลยนะบุญคำจันทั้งสองคนอยู่กใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สันนิษฐานว่าอย่างไงสองคนถูกหินบทแหลกไปเสียแล้วหรือว่าหลบข้อโผลงทันเขาหยั่งความเห็นบุญคำกับจันทหันหน้าเข้าหากันเองในเงามืดแล้วจันก็บอกเกิดเป็นเสียงกระซิบว่ามันก็ไอ้คือกันแหละนายถ้าถูกหินหล่นลงมาบททับแลกละเอียดไปแล้วไงทหารกับแมมมี่ ก็วูบเดียวหมดความรู้สึกแต่ถ้าหลบเข้าโพรงทันก็าตายช้าลงไปอีกนิดแต่จะตายอย่างทรมานที่สุดเพราะสามโพรงนั่นมีอยู่โพรงเดียวที่มีทางออกได้ตัอโพรงที่กันกับพี่คํามุดออกมานี่แหละอีกสองโพรงนั่นจะเป็นโพรงกันนายทหารกับแม่มคนสวยนั่นจะถูกฝังทั้งเป็นสุภาพบุรุษไพรรีกาลงต่อบุหรีตัวที่สองทั้งสองคนแน่ใจหรือว่าทั้งสองโพรงนั่นกันพี่คำแกบอกว่าเคยสำรวจมาก่อนแล้วเป็นโพรงที่มีทางเดินเข้าไปลึกก็จริง รถเลี้ยวไปมาเหมือนจะมีทางออกได้แต่มันไม่มีทางออกหรอกเหมือนเขาวงกดในโพรงเต็มไปได้วยปล่องเหวบุญคําำคารับนายบุญคําสำรวจสองโพรงนั่นมาก่อนแล้วละเอียดแค่ไหนค้นหาเหล็กไหลนะนายลงได้มุดหาเหล็กไหลกันแล้วก็นายก็รู้ว่าจะต้องเลื้อยคานงมไปหมดทุกทิศทางนั่นแหละแต่บุญคาไม่เคยพบว่ามันจะมีทางออกได้ยกเว้นแตงูบางช่องมันก็มีทางออกเหมือนกันแต่แคบแค่ฝ่ามือเดียวเท่านั้น แต่ถ้าจะลงบาดาลไปหาพญานาก็พอมีทางบ้างเรามีบ่อเหวโบลงไปมองไม่เห็นก้อนอยู่หลายแห่งหย่อนก้นหินลงไปยังไม่ได้ยินเสียงกระทบก้นเหวเลยคุณคาสำรวจโพรงทาที่ว่าไม่มีทางออกนั่นนานเท่าไหร่แล้วทั้งสุดท้ายสักสีห้าปีแล้วมั่งนายแต่พูดอย่างมั่นใจและบนความมั่นใจนั้นก็คือความสิ้นหวังทอแท้เพรเสียงพุ่ ม, มคำพร้อมกับพนมมือขึ้นจบศีรษะแววออกมาว่าอ๋ลหังอ๋ลหังไปสู่สุคติเถิด ก็คุณแม่คุณเอ้ยดวงขาดลงแค่นี้เองทําไมไอ้คํากับไอ้จันถึงไม่ตายไปพร้อมกันให้รู้แล้วรู้รอดจะได้ไม่ต้องกลับมาให้นายเห็นหน้าอีกประพินไพรวันขณะนี้ประสาทชาดิกเขารู้ว่าบริเวณใต้หน้าผามหาปะไรนั้นมีโพรงท้าเต็มไปหมดรู้ว่าบางโพรงมีหนทางทะลุลอดออกได้แต่ส่วนน้อยส่วนมากนั้นก็อย่างที่บุญคําว่านั่นแหละคือจะต้องการไม่มีทางออกนอกจากย้อนกลับทางเก่าซึ่งบัด น, นี้ไม่ต้องหวังหินหลายร้อยตันกลบปากทางหมดแล้ว แถึงอย่างไรตัวเขาเองก็ไม่เคยได้สำรวจโพรงถ้าใต้หน้าพระอันตรายนี้มาก่อนเลยด้วยตัวเองสักครั้งเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องสำรวจพยายามวางอารมณ์ให้เป็นปกติที่สุดอย่างน้อยสิ่งที่เขาควรยินดีก็คือคุณทากับจัน์ก็ยังอุตสาหเหลือรอดชีวิตมาได้ทั้งสองคนเรื่องอืน่นค่อยแก้ไขปัญหากันในอันดับต่อไปเสยเองผู้เขา้ารร่วมเหตุการณ์ฟังอยู่ด้วยในขณะนี้ก็ตัวสั่นไปหมดประวัติของพรานให ญ, ญา่และพินไพร์วันไม่เคยนําทางพายในจ้างไปสู่จุดจบเลย ตลอดทั้งชีวิตการหากินอยู่ในป่าของเขาจะมาคราวนี้เขาเห็นจะสิ้นชื่อเสียแล้วคราวนี้วนมาถึงด้านบนคำกับจันอีกครั้งหลังจากโลกหินถลม่มเข้าไปอยู่ในโพรงค่ะทำได้ปลอดภัยแล้วแล้วรู้ตัวก่อนแล้วทำยังไงกันต่อไปคิดว่านายทหารกับนายแม่มตายแน่แล้วก็ชวนกันมุดลอดนี้ออกมาเลยงั้นหรือใครบอกนาะยเสียงทั้งสองโวยขึ้นพร้อมกันไอ้คํากับจันพยายามพูดวิทยุเรียกนายทหารเรียกกนคอแหบคอแหงไม่ได้ยินเสียงอะไรตอบออกมาเลยจังไม่แต่สักจิ้งหลีดซักตัว ด้านบนหลังหินถลม่มและพวกฉันก็พยายามเรียกบุญคําและนายทหารอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ยินเสียงตอบเหมือนกันบุญคาได้ยินเสียงฉันหรือพวกข้างบนบ้างไหมบุญคําผู้บัรนี้ค่อยๆ ย, ย, ยกวิทยุที่แกยังถืออยู่ในมือขึ้นมาดูก็สั่นหัวไม่ได้ยินอะไรสักอย่างได้ยินแต่เสียงตัวเองเท่านั้นไม่ได้ยินทั้งเสียงนายทหารนายแหม่มหรือใครทั้งนั้นไม่ใช่แค่เรียกวิทยุเท่านั้นทั้งบุญคําและอาการพอตั้งตัวได้สติได้ก็พยายามค้นหาช่องทางเผื่อว่าจะมีทะลุติดต่อไปถึงถ้ำที่คิดว่านายทหารกับนายแหม่มไปต พยายามกันอยู่หลายชั่วโมงจนหมดหวังแล้วถ้าไม่หมดต่ค้นหาเส้นทางอยู่บุญคำกับจันทร์มาถึงที่พักนี้ตั้งแต่สองสทุ่มแล้วไม่เสียเวลาถึงเอาเกือบใกล้ลุ่งแบบนี้หรอกพอมุดลอดองอเอาเชิงได้ออกเชิงเขาได้อีกด้านหนึ่งบุญคําก็ปิดวิทยุไม่กล้าเรียกอีกเพราะกลัว จ, จะไปเข้าเครื่องของนายห้างพวกนั้นที่เปิดรับฟังอยู่ตลอดเวลาเลยย่องมังยิ้งเงียบถ้าบุญคําเปิดวิทยุพูดนับตั้งแต่โผล่มัจะอีกด้านหนึ่งฝานี้นายกับพวกนายห้างก็รู้ข่าวได้ยินเสียงแล้วที่จะให้บอกได้ยังไงละ่ะกกกก็็มมมีบบบคคําาาาาััััจนนนนทร์ลลแ่่2เเเ้้้ยยตอองงข แอบมาบอกให้นายรู้เสียก่อนจอมพลานพยักหน้าลงพูดดังหนักดีแล้วที่ไม่งู้เสือกเรียกวิทยุนี่รายงานมาให้รู้เสียก่อนโดยไม่พบชันก่อนเรายัางไม่ต้องการให้พวกนายจ้างหรือใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายทหารเชิดวุฒ ก, กับแหม่มคริสในขณะนี้ทุกคนยังรอทั้งสองคนอยู่ที่ความหวังแต่ความหวังนั้นก็ทุ่มเทมาที่ชันคนเดียวฉันต้องรับหน้าที่หนักที่สุดไอ้ผีดิบมันใจเล่นงานเราครั้งนี้เจ็บแสบนะนายครับนายแน่ใจหรือว่านายทหารกับแหม่มคริส ต, ต้องตายแน่ๆเตะเท้าออกมาอีก พินไม่กอกนอกจากกระเือกน้ําลายลงคองอันแห้งฟืดตาคําพ่วงออกมาแทนว่าถ้าไม่ตายก็ไม่ใช่คนละวะไอเซยนอกจากเทวดาไม่มีใครรู้ทางใล้หน้าผานั่นดีเท่ากูหรอกมึงก็ไอเกิดโชคดีแหละที่นายชายให้ไปคอยคุมพวกกเรียงกับลูกหามอยู่ข้างล่างไม่ต้องเสียงอะไรเลย ก, กูก็ไอจันหน้าตายไปแล้วกว่าครึ่งถึงพวกนายกับพวกปีหน้าผานั่นก็เสียงพอกันทางด้านนายเป็นยังไงบ้างหลานในห้างบ๊อบในคิดก็แหมเบลเรียบร้อยดีหรือ ยคหลังก็ถามมาบ้างทุกคนเกือบตายทั้งนั้นแหละบุญคำแต่ก็รอดมาได้อย่างบุดวิดจวนเกียรตอนนี้ก็เหลืออยู่เพียงแหม่มผมทองกับนายทหารเชริดวุดเท่านั้นติเคาะหนักกว่าทุกคนสองคนนั่นหมดจะเดินหยอกเล่นกันอยู่ไม่ระวังตัวเลยทั้งๆ ท, ท, ที่เตือนแล้วดันบนออกมายัางกลาดกรุ้มกระพินไพรวันตบแขนเสื้อดูนาฬิกาไอน้ําชี้บอกเวลาศูนย์สีนอตรงอีกสองชั่วโมงก็จะย่ารุ่งแล้วแต่หมอหมอกำลังลงแต่หมอกําลังลงจัดเลือกเกินคงจะยุดเวลา ตือนของพวกนายจ้างออกไปอีกเอางี้ทั้งสองคนนั่นแหละเห็นบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยไม่ใช่หรือจะเอาเวลาที่ไหนกินเข้าไปลงคอละนายถึงแม้จะไม่ใช่ความผิดของบุญคําก็จันโดยตรงแต่ทั้งนายทหารและแม่มก็อยู่ในความรับผิดชอบและบุญคําก็เอาสองคนนั่นตายไปเสียลวช่วยไม่ทันนี่บุญคาไม่รู้จะ ก, กล้าเข้าไปหานายจ้างนี่เหลือให้เห็นหน้าได้ยังไงและอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะกินด้วยไม่ได้เตรียมติดตัวไว้เลยพลานใหญ่ลื้อเป้แล้วออกมา ตรงเรชั่นไปให้จันกับบุญคําคนละกระป๋องสั่งว่าอ้าก่อนอื่นกินซะก่อนเอาแรงไว้เห็นท่าทางใกล้จะตายด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละถ้าอิ่มท้องพอมีแรงแล้วเราจะหาลือกันอีกทีว่าจะเอาอยัางไงขณะนี้หลบอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ต้องเข้าไปให้ใครในปางพักเห็นหน้าทั้งสองคนถึงชันออกมานี่ก็ย่องออกมาไม่มีใครรู้เห็นเหมือนกันนอกจากเกิดเท่านั้นอย่างซึมๆเศ้าๆทั้งบุญคําและจันท์เปิดเครื่องกระป๋องกินอย่างสังกตายระหว่างนิรพินไพรวันเพาบุรีตัวต่อตั ว, ต ว, ตว ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าตนเองจะต้องทำอะไรบ้างเราเวลาเพีให้ลูกน้องที่ลอดตายออกมาทั้งสองคนได้กินอาหารรองทองแค่ก่อนเท่านั้นเลยเป็นคนเอาก้อนแกส๊สเคมีออกมาจุดเป็นกองไฟเล็กๆขึ้นเพื่อเกิดแสงสว่างและไออุ่นโดยไม่มีควันพิงให้แกบุญคำและจันผู้อยู่ในภาวะสบับปะสบอมเต็มที่ช่วงไม่นานทั้งบุญคำและจันก็กินอาหารชนิดพอประทางความอยู่เสร็จจิ้นสุกบุรีกันอีกคนละตัวกราถางเจคอบรี่กับเปล่าขึ้นบ้างพานใหญ่จึงเริ่มขึ้นวะเอาละทั้งสองคนยังพอไหวไหมง่วงหรือว่าหมดแรงแล้วยง ไอ้ไหวนะมันไวแลวนะนายแต่นายจะเอาอยัางไงจะําย้อนถามอย่างมืดมนฉันจะต้องทําอย่างนี้นะคือเราสามคนหมายถึงฉันบุญคําและจันทร์ย้อนกลับทางเดิมเข้าไปทางช่องถ้าที่สองคนโผลออกมานั่นแหละเราจะเข้าไปจนถึงปากตัทางตรงที่มันทถล่มลงมาเปิดณ ต, ตอนเย็นนี้แล้วช่วยกันสํารวจอีกทีสองคนจะต้องนํำฉันเข้าไปบุญคากับจนันอ้าปากคลั่งจ้องหน้าเขาเงางามือชั่วรูุ้มจัน์ครงางออกมาว่าจันร์กับพี่คําพานายเข้าไปดูได้แต่มันไม่มีทางเลยจะเสียเวลาไปเปล่า เอาเถอะนะจะมีทางแล้วไม่มีทางยังไงเราก็จะต้องย้อนกลับไปดูอีกครั้งคราวนี้มันหมายถึงว่าฉันไปเองโดยมีบุญกคำกับจันนําทางเท่านั้นต่อให้ไม่มีความหวังอะไรอยู่เลยก็ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้เขาพูดเบาแต่หนักแน่นเี้าว่าแต่จะไปช่วยเอาชีวิตสองคนนั้นให้รอดออกมาเลยต่อให้ศพก็ยังไม่มีทางจะหาให้คบแต่เท่าสมุนขวาของเขากระซิบเบาที่สุดการจะช่วยชีวิตให้รอดออกมาได้นั้นฉันเองก็ไม่หวังเหมือนกันเขาบอกทำความรู้สึกแท้จริง แต่อย่างน้อยที่สุดฉันต้องรู้ให้แน่แนว่าสองคนตายอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องเอาศพของเขาทั้งสองออกมาให้ได้เข้าใจไหมสมุนผู้ใจซ้ายขวารู้สัรู้นิสัยใจคอในนายดีอยู่แล้วว่าเป็นคนอย่างไรนายจะไปเดี๋ยวนี้เลยหรือบุญคาําทำเดี๋ยวนี้รอช้าไม่ได้อีกเป็นอันค่ะอ้าวแล้วพวกนายฝรั่งพวกนั้นก็เพราะอย่างนั้นน่ะสิฉันจึงบอกเราต้องไปกันเดี๋ยวนี้ไปกันก่อนที่พวกนั้นจะตื่นขึ้นมาแล้วต้องไม่ให้รู้ความจริงอะไรทั้งนั้นในระหว่างที่ฉันย้อนกลับเข้าไปค้นในถ้าใต้ภู ไม่เฉพาะแต่พวกเจ้านายเท่านั้นแม้พวกลูกหาคนไหนก็จะไม่ให้รู้ความจริงก่อนทั้งนั้นแหละนอกจากเสยกับเกิดเท่านั้นนายถ้านายจะไปกับนาจาันลุงคําแล้วยังไม่กลับมาจนกระทั่งลุงคะในห้างพวกนั้นตื่นขึ้นมาเสยจะบอกว่ายังไงเสรยร้องออกมาเบาๆฉันเตรียมอะไรไว้แล้วเสยกับเกิดมีหน้าที่ทำตามคาสั่งเท่านั้นเดียวน่าจะเขียนจดหมายสักสองสาตัวถึงในห้างบอกพอเ ข, า, ขาตื่นขึ้นมาเสยก็เอาจดหมายนี่ให้ก็แล้วกันดูเหมือนเขาอย่างอธิบายอะไรไม่กระจ่างนะจะงักชง้ง ทางชั่วขาวแค่นั้นตัวเองควาสมุดฉีกเล่มเล็กๆประจําติดตัวอยู่เสมอออกมาพร้อมกับปากกาลูกลื่นแล้วขยับไปนั่งอาศัยแสงสว่างจากก้อนแก้สที่เสยจุดไว้พร้อมทั้งลงมือเขียนวัดวัดข้อความว่าเรียนด็อร์สแตนลีย์คริสและเบลผมให้อาจทนรออยู่จนรุ่งเช้าได้ขณะที่เขียนโนตนี้ 04.00 นแล้วยังไม่มีวี่แววคนของผมสองคนกับเชอร์วุฒและคริสตีน่าจะมาถึงยังจุดนัดพบของเราที่นี่ได้ผมจึงตัดสินใจออกติดตามด้วยตัวเองหน้าที่รับผิดชอบในขณะนี้ ที่ผมไม่อยู่นี้ผมมอบให้แก่พลานหนุ่มของผมสองคนที่เหลือคือเกิดและเสยเมื่อคุณทั้งสามตื่นขึ้นมาแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องรอคอยผมอยู่บนยอดศักดํานี้อีกต่อไปขอให้เคลื่อนขบวนพวกเราทั้งหมดรวมทั้งกะเลี่ยงอพยพไปยังหมู่บ้านห้วยเสือรองซึ่งจะอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่นะเกิดและเสยจะเป็นผู้นําทางเมื่อถึงที่นั่นหยุดพักรอฟังข่าวจากผมอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวไปไหนเป็นอันขาะและไม่ต้องออกติดตามผมเลยขอย้าว่าจงพักรออยู่ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องผมจะไปพบ ไปในเวลาไม่เกินยี่สีชั่วโมงนับจากเวลานี้และไม่ต้องห่วงผมจะรอคอยอยู่ตรงอย่างสงบสําหรับเกิดและเสยเข้าใจคําสั่งของผมดีแล้วประพินเขียนเสร็จพานใหญชี้ออกจากเล่มพับสรงให้แต่เสยพร้อมกับสั่งว่อาอ้าวนี่เสยเมื่อนใน ห, ห้างบอบตื่นขึ้นเอาจดหมายของฉันให้บอกกับเขาไม่ต้องไปปลุกปล่อยให้เขานอนพักกันตามสบายที่สุดตื่นเวลาไหนาได้ถามถึงฉันเมื่อไหร่ค่อยเอาหนังสือ น, นี่ให้พูดชา้าๆเพื่อให้เสยเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่สุดสําหรับตัวเสยเองให้ทําอย่างนี้ข้อที่หนึ่ง ไม่ต้องบอกความจริงให้ใครฟังสักคนยกเว้นเกิดคนเดียวพ่อบุญทํากับจันก็มาพบชั้นที่นี่ตอนใกล้ลุ่งไม่มีนายทหารเชิดรุ้งแคมปคริสมาด้วยเข้าใจไหมเกยพยักหน้าพร้อมทั้งทวนคําสั่งของเขาเราพินสั่งต่อไปข้อที่สองถ้าพวกนายจ้างถามว่าฉันออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็บอกว่าฉันออกจากแคมป์ไปเมื่อตอนตีสีไปคนเดียวโดยฝากจดหมายฉบับนี้ไว้พ้อที่สามเมื่อทุกคนตื่นพร้อมกันหมดแล้วให้เคลื่อนขบวนทั้งหมดไปพักรออยู่ที่ห้วยเสืออร้องและรออยู่ที่นั่นจนกว่าฉันจะไปพบข้อที่สีในบรรดาพวกนายจาคาจะมมีใรต ที่จะออกติดตามฉันบอกให้เขาเลิกรวมความคิดนั่นเสียและอยากให้ออกตามมาเป็นอันขาดและแม้ว่าพวกนั้นไม่มาเองแต่จะใช้ให้ใครไม่ว่าจะเป็นเกิดเสรีหรือก็เรียนคนอื่นๆออกตามก็ไม่ต้องทําตามเขาจะเรียกเข้าไปสอบถามอะไรมากนะก็บอกจะเพียงไม่รู้ไม่เห็นได้ปลอบใจเขาไว้ว่ามันจะต้องกลับไปที่ห้วยเสือร้องอย่างแน่นอนเท่านี้แหละที่ฉันสั่งจําได้ไหมเจ้าพลานเด็กหนุ่มพูดช้าๆทบทวนคําสั่งของเขาไปทีละข้ออย่างถูกต้องและรับปากมั่นคงว่าจะทําตามคําสั่งทั้ง4ข้อของนาย ว่าแต่นายเขีนถึงในห้างบ๊อบยังไงมั่งละ่ะฉันบอกพวกเขาว่าฉันจะออกค้นหาตามลําพังเพราะทั้งสี่คนยังไม่มาขอเวลา24ชั่วโมงจะกลับไปพบกับพวกเขาที่ห้วยเสือรองกําชับไม่ให้เขาออกตามด้วยและให้พวกเขารวมกันอยู่ที่ห้วยเสือรองอย่าพลังปากบอกมาแล้ ว, ว่าฉันไปกับบุญคาและจันประโยคลังเขาคาดคันพาบนายเสยจะไม่บอกให้ใครรู้เลยว่าจะไอ้เกิดคนเดียวจะหาโอกากสกระซิบกับมันโดยไม่ให้ใครเห็นดีมากเอาระดับไฟเสียแล้วไปได้ละฉันบุญคําและจันจะไปเดี๋ยนี้เหมือนกัน เราจบเลุกขึ้นยืนเสยก็เหนียวแขนไว้กรพินมองหน้าเจ้าพานเด็กหนุ่มของเขาสวนยิ้มแห้งและ อ, อึ้งอึ้งดีรออยู่ทําไมมีอะไรอีกล่ะเสยนายบอกว่านายจะไปพบที่ห้วยเสือร้องภายในยี่บสี่ชั่วโมงถ้าถ้ายี่บสี่ชั่วโมงแล้วนายยังไม่มาเสรย์จะเจอจะทำยังไงเป็นคําถามที่ฉลาบรอดครอบดีทีเดียวสําหรับเจ้าพานเด็กหนุ่มของเขากรพินตบกล่ถ้ายี่บสี่ชั่วโมงแล้วฉันยังไม่โผล่ไปที่ห้วยเสือร้องหาทางถ่วงเวลาต่อไปอีกยี่บสี่ชั่วโมงเป็นระยะเวลายืดหยุ่นแต ท่านบุญคําละจันยังไม่โผลไปอีกก็บอกเขาได้เลยว่าทุกคนตายหมดแล้วรวมทั้งชันด้วยให้พวกเขาตัดสินใจเอาเองว่าจะเดินทางต่อไปกับเกิดเสยเป็นคนนําทางหรือว่าจะกลับอย่างไรก็สุดแต่คำเสยน้ําตาคลอในเงามืดเสียงเครือนายไหนสองคนนั้นก็ตายไปแล้วทําไมนายลุงคํากับนาจันจะต้องไปเสียเวลาเสี่ยงกันอีกก็กลับไปบอกพวกในห้างเขาโดยตรงตามความจริงที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของนายความผิดของลุงคํานะจันหรือใครทั้งนั้นแต่ความเปนความผิดของนายทหารเชิอวุฒิกำแหน ม, มคริสเองต่างหาก ที่มัวแต่เงอะงะอยู่ไม่ทำตามที่นัดไว้ก่อนล้พินโอบแขนกอดเสยไว้และสั่นหน้าช้าๆนั่นไม่ใช่หนทางสุดท้ายที่ฉันจะเลือกเสยและฉันก็ยังไม่เชื่อว่าสองคนนั้นตายไปแล้วจนกว่าจะได้เห็นศพหรือที่ตายของเขาแน่ๆใช่ก่อนสมมุติว่าโอกาสหนึ่งในแสนที่เขาสองคนยังไม่ตายจะรอรับความช่วยเหลืออยู่หากเราหวนกลับไปช่วยเขาก็รอดได้แต่ถ้าเราด่วนลงความเห็นไปเสียเลยว่าเขาตายไปแล้วโดยไม่พยายามช่วยเหลืออะไรเลยเขาก็ต้องตายไปจริงๆ ซึ่งคนอย่างฉันจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้เป็นอันขาทําใจดีๆไว้เสยเราผ่านผจญกันมาลายกาดกว่านี้มากนะักไม่ต้องห่วงฉันหรอกวาระสุดท้ายจริงๆสมมุติว่านายทหารเชริดวุฒิและแหม่มคริสจะไม่กลับออกมาอีกแล้วแต่ฉันบุญคําและจย์ก็จะต้องกลับมาจนได้นั่นแหละบุญคํากับจันพยายามแล้วฉันเชื่อแต่ฉันเองฉันยังไม่ได้ลงมือเลยแต่ถ้าฉันลงมือแล้วยังไม่สําเร็จมันก็ของแน่นอนว่าสองคนนั้นตายจริงในที่สุดนายก็ต้องทํางานหนักกว่าทุกคนเหนื่อยยากลำบากกว่าเพื่อนเสยพูดทั้งน้ําตา ระพินไม่พูดอะไรอีกแต่สะกิดลายบุญธรรและการให้พระออกเดินทันทีโดยไม่หันกลับมาอีกเจอยืนซึมอยู่รูปพอทั้งสามหายไปในความมืดและม่านหมอกน่าทึ้ก็ดับไฟเสกกระป๋องเลชันที่บุญทํากับการเปิดกินเมื่อคู่แอบซ่อนรบล่องลอยเสียใบหน้ากลับแคมด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายบุญธํากับจันนั้นแต่แรกก็หมดแรงสิ้นหวังและแต่เมื่อกลับมาพบหน้าเจ้านายและมีเขาร่วมลงมือปฏิบัติการด้วยเช่นนั้นทั้งสองก็กลับมีกำลังใจขึ้นมาอีกทันทีอานําออกเดินทางไปโดยเร็ว เด่ลักซอกซอนไปตามโขดหินน้อยใหญ่ที่งอกอยู่เป็นป่าในเงาปกคลุมของหมอกโดยไต่ลงเบื้องตำ่ำเพื่อมุ่งขหาบริเวณปากโพรงถ้าตำแหน่งที่ตนทั้งสองสมสานมุดลอดกันออกมาไม่ง่วงไม่หิวอีกแล้วแต่โทรหดสุดใจขาดดินตามวิสัยเคยชินทั้งสาไปกันด้วยความชํานาญต่อภูมิประเทศเยี่ยงสัตว์ป่าไม่ต้องมาคอยห่วงกังวลอะไรต่อไปทั้งสิน้นเพราะไม่มีใครอื่นมาเป็นตุ่มภาระทวงซอกซอนกันไปก็คุยกันไปเบาๆ เราพินตรวจวิทยุของเขาเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่ามันปิดสวิตช์แน่นอนโดยไม่ถ่ายทอดเสียงใดๆไปสู่เครื่องรับฟังของพักพวกภายในแคมป์ที่หลับกันอยู่ในขณะนี้พร้อมทั้งกําชับให้บุญคําตรวจสอบวิทยุเครื่องที่แกถืออยู่ด้วยเพราะต่อไปนี้จะไม่ใช้วิทยุอีกแล้วป้องกันไม่ให้แตนลีย์คิดและอิสเบลจับได้ยินการเคลื่อนไหวได้จําไว้บุญคำถ้าวิทยุมันดังเรียกขึ้นก็อย่าเปิดเครื่องผููต่อไปนั้นค่ะไม่แน่เหมือนกันว่าพวกนายจ้าง3คนที่เหลืออยู่ในแคมป์อาจเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเขากดเรียกโดยเรายังอยู่ในรัศมีเคลื่อนที่ส่งถึงกันได้ออกฉัญญาณจะดังขึ้นที่เครื่องเราบุญคําตรวจเครื่องที่แกถืออยู่ในมืออีกครั้งแล้วตบเสาอากาศหดจมลงไปในเครื่องปิดปล อ, อกหนังหุ้มจะ ย, ยัดใส่ย่ามหลังโดยไม่คิดจะใช้งานอีกเลยนี่นายได้พักผ่อนหลับนอนบ้างแล้วหรื อ, อยังแกถามอย่างเป็นห่วงก็หลับๆตื่นๆอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่ถึงยังไงก็พอได้เอนหลังพักตามมาบ้างแล้วสองคนเราเหอะแน่ใจหรือว่ายังไหว โอ้ยสบายถ้ามากับนายแบบนี้ถึงไหนถึงกันเลยเมื่อกี้ก็ได้ลองกระเพาะบ้างแล้วเรียวแรงพอจะกลับคืนมาบ้างไอ้เหนื่อยยากนะมันไม่เท่าไหร่หรอกจะมาคิดถึงว่านายทหารกมัมแหมคริสจบเหตไปแล้วโดยช่วยไม่ทันนี่สิไอคํากับจันทร์หมดแรงเลยไม่น่าเลยพับผ่าเดินเข้าหาที่ตายแท้ๆยังเล่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่ได้ก็อย่างว่าแหละนะนายคนหนุ่มคนสาว บุญคำรู้ว่านายทหารเชริดวุฒแกจะชอบแหม่มคริสเอามากมากสองนี้คงนอนกอดกันอยู่ใต้ก้อนหินแถวๆปากถ้ำนั่นและอิ่มท้องมีแรงเข้าหน่อยชักปากเสียตะคำตะกี้เห็นร้องงึดๆอยู่แลบพินดุเบาๆก็บุญคำสงสารสองคนนั่นนะแหม่มก็แสนสวยนายทหารเชริดวุฒก็แสนดีกับบุญคำมาด้วยกันแบบนี้แล้วใครจะอยากให้ใครตาย แกพูดเสียงละห้อยจอมพานไม่สนใจอะไรกับถ้อยคําของต อ, อนเท่าจรนับปโดกอีกสอบเท้าอะไรละเอียดอีกครั้งกับจัน์เกี่ยวกับสภาพของถ้าที่เล็ดลอยกันออกมาได้แล้วเล่าให้ทั้งสองคนฟังถึงเหตุการณ์บนหน้าผาที่ฝ่ายเข้าเผชิญมาก่อนที่หินจะถล่มการปรากฏกายของไอ้งาดําซึ่งงัดหินลงใส่โขดหินก้อนมาหึมาซึ่งเป็นรอยคอดอยู่ซึ่งเขายิงมันกลิ้งลงมาปะทะหินก้อนนั้นแหละทำให้ภูผาทั้งหมดเริ่มมีอาการ เหมือนแผ่นดินไหวใครอยู่ในสภาพอย่างใดและเก็บเช่นไรบ้างและในที่สุดเมื่อทุกอย่างจบสิ้นลงก็ปรากฏว่าช้างใหญ่ที่ทุกคนเห็นว่างามีสีดำที่เปลี่ยนสีงาจางลงกลายเป็นสีขาวปิ้ลเหลืองธรรมดาอันเป็นสภาพที่ผิดปกติวิสัยของชะช้างสามันที่สุดบุญคํากับจันได้ทราบครับเกี่ยวกับเรื่องงาดําที่พอถูกยิงตายแล้วงากลายเป็นสีงาช้างตามปกติก็อูทานเสียงหลงชิบหายแล้วนายถ้าแบบนั้นมันก็แปลว่า ช้างงาดํามันไม่มีสุดจะวิญญาณร้ายมันจะลงสิงตัวไหนตัวนั้นก็กลายเป็นไอ้งาดําทันทีแต่เทารุดป่าออกมาอย่างคนรู้เรื่องสายเวทอาถรรดีอยู่แล้วใช่ฉันเองก็เพิ่งจะรู้เอาเมื่อตอนนั้นเองพวกฝลังที่ขึ้นไปด้วยทุกคนก็มองเห็นเหมือนกันหมดไม่ใช่ฉันเห็นอยู่คนเดียวอีกคลาวนี้มันยิ่งกว่าสมัยที่มันลงสิงเสึกโคร่งดาที่ประเดี๋ยวเป็นหินประเดี๋ยวกลับมาเป็นเสือมีชีวิตเสียอีก ใช่ไหมนายยิ่งกว่าหลายเท่านักยุค ก, ก่อนนี้มันสลับเปลี่ยนวิญญาณกันระหว่างร่างของไอ้นักบวชโลนกับเสือหินสีดําเท่านั้นแต่คราวนี้มันแผกกรุ ป, ปรชา้านิทรานครเอาไอ้ผีดิบยกขยงกันออกมาทั้งกรุกมีหนาซ้ําอย่างชายช้างป่าเป็นบริวาร น, นับไม่ถ้วนตัวไหนเป็นช้างสําคัญมันก็ลงสิงกลายเป็นช้างงาดําทันทีเพราะฉะนั้นไอ้งาดําจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆล้มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดจนกว่าเราจะล้ม จะขจัดวิญญาณอุบาทของมันใจ ล, ลงได้แล้วนายจะทํำยังไงดีจันทร์ถามก็ ย, ยังนึกไม่ออกเหมือนกันค่อยๆคิดค่อยๆแก่สําคัญคุมสติให้ดีก็แล้วกันทั้งบุญคําและจันทร์ก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันไม่ใช่หรือทั้ง2ถอนใจเฮือกออกมาพร้อมกันครูก็มีอยู่ล็อกนายแต่ครูคนไหนก็ไม่แรงเท่ากับครูที่มากับไอค้คําไอ้จันท์เดี๋ยวนี้ครูรับพินยังไงละ่ะ ที่ถ้าครูไม่มาด้วยจ้างบุญคําก็ไม่กลายย้อนไปที่เก่าอีกถ้าไอจันร์ดูถามไอจันทร์ดูก่อนจะโผล่ออกมาได้ก็เกือบม้วยเหมือนกันจงอางผีของเจ้าถ้าดักแผ่พังพานอยู่ปากโผรงทางออกแลบลิ้นอยู่แปรแปรหัวเท่ากันรง่งฟัดข้าวคาถากี่บทงัดออกมาใช้หมดมันก็ไม่ยอมไปจะยิงด้วยกระสุนที่หลงอาคมไว้ก็ยิงไม่ออกสงสัยจะอยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางเดินของเหล็กไหลผลที่สุด ก็เลยต้องงัดเอากรุงเกงในของแม่มเบลออกมาโยนใส่ที่โถ ท, ที่แท้ก็คือเง่าไม้โผล่พ้นดินขึ้นมาแต่อีกตอนที่เห็นอยู่เป็นนานสองนานนะัมันงูจงอ่างชัดๆทำใต้เขาใหญ่ลูกนี้เฮี้ยนมากนะนายเจ้าทำก็เกะกะอันตรพันที่สุดมันเป็นพวกลากตดผีร้ายไม่ใช่เทพหรอกอจะพลานเท่าคลางอ่อยเออมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันประเดี๋ยวรู้เองว่ามันจะแน่สักแค่ไหน ตะพินบอกเสียงกลิ้มเกลียมในลันคอประมาณไม่เกินยี่สินาทีเท่านั้นทั้งสองก็นําเข้ามาพบเพราะปากถ้ำขนาดเขื่องสูงราวสองเมตรครึ่งกว่ากว้างกว่าห้าเมตรเป็นเวิร์งโพรงเข้าไปตะพินฉายไฟสํารวจอย่างใคร้ครวนลักษณะของปะาของปากถ้านั้นมองผัดผาดว่ามันจะเป็นโพรงถ้าขนาดเครื่องพอสมควรทีเดียวแต่จากคําบอกเล่าเดิมของบุญคํากับจันทร์แสดงว่ามันทางกว้างเฉพาะทางออกเท่านั้นเมื่อลึกเข้าไป จะต้องเป็นเส้นทางที่สอบแคบชนิดที่บางขณะจะต้องกระดืบคานเลื้อยกันเข้าไปประสาสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างทําให้เขายืนรีตาพิจารณาเฉยอยู่ก่อนสมุนคู่ใจซ้ายขวายืนชิดอยู่เบื้องหลังเป็นทางออกทางเดียวใช่ไหมนี่มีทางอื่นที่จะออกได้อีกไหมเขากระซิบถามแพลวต่ำไม่มีแล้วนายถ้าจะมุดจากฝากโน้นมาโผล่ด้านนี้ได้<ๆ>ก็ต้องออกตรงนี้แหงเดียวเท่านั้น บุญคำตอบถ้าจะมุดไปนในถ้าจริงๆแล้วไม่เสียเวลาทําอย่างอื่นระยะทางมันยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะทะลุระหว่างฝากโน้นกับฝากนี้ก็เลาๆสองชั่วโมงเท่านั้นเอาละ่ะทั้งสองคนถอยออกไปก่อนถอยห่างๆไปรวมอยู่ด้วยกันภาวนาบทหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์คุ้มตัวเองเอาไว้ฉันจะทําอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วจะเรียกระหว่างนี้ถ้าเกิดอะไรพิสดารขึ้นจะตกใจคุมสติให้มัน่นภาวนาเข้าไว้ก็แล้วกันระพินไพรวันสั่งกับคนของเขาทั้งสอง คุณคำและกันก็พากันก้าวถอยหลังออกไปทันทีปล่อยให้เขายืนประจันหน้าอยู่ปากถ้าลักษณะปราดตามลําพังอย่างโดดเดี่ยวบัดนี้รุดผู้แทบจะตรอดทั้งชีวิตของเขายกเว้นระยะเวลาที่ไปใช้ในการศึกษาร่ําเรียนในซีกโลกสิวิไลอุทิศให้แก่ป่าดงพงไพรไม่ผิดอะไรกับชาวป่าคนหนึง่งได้ยืนสํารวมสมาธิสงบนิ่งพร้อมทั้งพลังจิตอันแน่วแน่วิทยาศาสตร์ที่ร่ําเรียนมาปัดออกไปจนหมดสิ้นจากสมอง คงเหลือไว้แต่ไซยสาสตร์มนเมื่อที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ในระดับพระโสดาบันทั้งหลายอันเป็นาศาสตร์ที่เขาหยั่งซึ่งตระหนักอยู่แน่แก่ใจตนเองเท่านั้นไม่เคยพิสูจน์ให้ใครเห็นเลยและจะนําออกมาใช้แต่เฉพาะเมื่อถึงคราวจําเป็นขีดสุดโดยไม่มีวิธีอื่นจะเลือกได้บริกรรมเป็นอัตคาถาสั้นๆย่นย่ อ, ยอระพุทธคุณอยูเ่เหนือหัวเป็นที่ตั้งบิดามารดาทัดมาแล้วก็ประมาจอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาให้ทั้งหลาย ดวงตาทั้งสองเบิกจ้องผ่านไปนในความมืดทะมึนของช่องทางเข้าปากถ้ำนั้นโดยไม่กระพริบส่งกระแสจิตเข้าไปทันทีเรามาด้วยการคารวะไม่ได้มินยามหรือว่าจะคิดลองดีประการใดเลยผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ครอบครองถ้ำและคุ้นเขานี้ขอจงเปิดทางให้แกเราด้วยเถิดเรื่องนอกยามนี้หนาวเยือกอยู่แล้วแต่บัดดลลมเย็นประราดมูบหนึ่งก็พัดจาก โรงถ้ำรั่วออกมารากับมีพัดลมยักษ์เป่าเศษฝุ่นละอองคลุ้งตรบผ่านกายเขาและพัดเลยผ่านไปยังบุญคำและจันที่ยืนพนมมือสวดมนต์อยู่เป็นกลุ่มลมเย็นเหมือนเป่าผ่านออกมาจะทําำน้ำแข็งพร้อมกันทั้งสมุนซ้ายขวาของเขาก็สำเนียกชัดว่าเชิงเขาบริเวณนั้นลั่นคึกราวกับมีตีนมหายากก้าวผ่านเลยหัวไปโดยลั่นเป็นระยะห่างออกไปเป็นตามลาดับ ทั้งบุญคําและจันทร์ขนลุกชันทั้งกายแต่ความที่เคยเรียนรู้มาก่อนบ้างแล้วในเรื่องประเภทนี้ทําให้สงบนิ่งอยู่กับที่โดยไม่เคลื่อนไหวขยับเขยื้อนหรือแสดงอาการอะไรให้เป็นที่ผิดปกติออกไปเพราะเข้าใจดีว่าถ้าขวัญเสียเพลนออกวิ่งเมื่อไหร่ก็จะเสียสติเป็นบ้าไปเมื่อนั้นแล อ, อย่างน้อยที่สุดก็จับไข้หัวโขนระยะเวลามันก็แค่อุจจัยใหญ่ๆเท่านั้นลมระลอกนั้นก็จางสิ้นลงประพินไพรวันไว้ตัว ร้องบอกเบาๆด้วยเสียงปกติของเขาว่าบุญคําจันท์เจ้าที่เขาเปิดทางให้กับเราแล้วเข้ามาเถอะพร้อมกับพูดจอมพรานเปิดไฟฉายประจําตัวส่องจ้าเข้าไปก่อนยังปาก ป, ปากโพรงถ้านั้นและก้าวเข้าไปพรานอาวุโสของเขาทั้งสองก็ก้าวตามกระชั้นชิตทันทีหมดสิ้นความวาดหวั่นพร่านใจหรือพยันตรายใดๆอีกแล้วผิดกับตอนที่พากันตะเกียกตะกายกันออกมาตามลาพังเพียงสองคนซึ่งตอนนั้นเต็มไปด้วยความปลอดแหก ขวัญแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะเจอเข้ากับอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างที่ทั้งคู่ไม่กล้าที่จะเล่าให้เจ้านายฟังภูมิประเทศของบริเวณนั้นเป็นไปนในลักษณะที่เขาคาดคิดไว้ขณะที่มองเห็นผัดผาดครั้งแรกไม่มีผิดภายหลังจะเข้ามาตรวจ ด, ด้วยอย่างละเอียดพอสมควรก่อนที่จะเข้าไปยังซอกลึกโคดเคี้ยวคือทางกว้างตรงทางออกและสอบแคบเมื่อเลือกเข้าไปยังช่องโพรงซึ่งมีอยู่หลายทิศทางหินตะปุ่มตะป่ําของบริเวณนั้น รวมทั้งหนอที่งอกตามพื้นกับผนังรอบด้านเป็นสีดำสนิทราวกับนินสะอาดและเย็นปราศจากวัชพืชหรเศษกิ่งไม้ใดๆทั้งสิ้นเนื้อหินเป็นมันลื่นมีรอยชื้นของตาน้ำที่ไหลซึมอยู่ตามแนวร่องแตกทั่วๆไปไม่มีร่องรอยว่าสัตว์ชนิดใดแม้แต่ค้างคาวจะอาศัยอยู่เลยนอกจากอยางเดียวเท่านั้นถ้าจะมีก็คือพวกงูระหว่างที่จอมพลานยังใช้ไฟฉายเข้าไปตรวจสอบตามก้อนหิน ของปากเวงท่าเหมือนจะย่างอะไรอยู่นั้นทั้งบุญคําและจันทร์ยืนรวมกลุ่มรอคอยเขาอยู่อย่างเงียบกริบและพยายามจับสังเกตว่าเจ้านายตรวจสอบร่องรอยอะไรต่อมาเขาก็เดินเข้ามาใกล้และหยุดยืนอยู่ที่เงาไม้ขนาดใหญ่อันโผล่ขึ้นมาจากพื้นหินสูงประมาณเมตรครึ่งลักษณะส่วนบนแผกว้างประมาณสองฟุตเศษมันก็คือเงาไม้มืน่มนๆปีที่แทบจะกลายเป็นหินแล้วนั่นแหละ จอมพรานเอามีดโบวีเคาะเบาๆนี่ใช่ไหมที่ว่าเห็นเป็นงูจงอางใหญ่ทั้งสองพรานอาวุโสของเขากระเดือกน้ำลายลงคอฟูดอีกครั้งตอนนี้นะ่มันเง่าไม้และนายแต่อีตอนนั้นจันห่อลายอย่างสยองใจบุญคำก็กระซิบต่อมาว่า้าทางมันไม่ได้ดูเหมือนจะฉกหรอกแต่จะแดกเอ้ยยะงงับบุญคำกับไอ้จันขยอเข้าไปเลยพอนายมาด้วยเท่านั้น ทุกอย่างมันกลับหน้ามือเป็นหลังมือไปหมดตอนที่ลมเย็นมาพัดมาวูบมาจากปากโพรงเฉียดบุญคำไปบุญคำได้ยินเสียงพูดด้วยมันบอกอาคาดไว้ว่ามึงไอ้เท่าลามกระวังตัวไว้ให้ดีคราวนี้นายมึงมาเองกูก็จะเปิดทางให้ก่อนถ้าลำพังมึงสองคนหืนเข้าไปอีกก็ไม่ต้องโผลออกมาอีกแล้วมันว่างนี้แหละนายแล้วก็มีเสียงเดินเหยียบดินตุบตบลงมาจากเนินเขา ระพินไม่สนใจเพราะรู้กันดีอยู่แล้วว่าจริงบ้างโกหกบ้างไปไตามประสาสันดาลของแกตรวจดูแล้วมีเส้นทางเดินของเหล็กหลายจริงๆนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนตัวไปอยู่บริเวณไหนไมิหน้าล่ะวิทยุถึงเรียกกันไม่ได้เลยนับตั้งแต่หินถล่มทับลงมาปิดปากทางด้านนู้นมีช่องทางที่จะมุดลอดเข้าไปถึงสี่ช่องทางเขาฉายไฟกระดพร้อมกับบุ้ยปากไปยังตำแหน่งรูช่องดํามืดน่ากลัวที่เจาะชอนเข้าไปในผนังศีลาเหล่านั้น บุญคำกับจันโผลออกทางช่องไหนซ้ายมือสุดเลยนายจายันเป็นคนตอบแล้วอีกสามช่องนั้นลราเคยสํารวจแล้วอย่างมันไปถึงไหนบ้างถ้าในระยะตื้นๆก่อนจะโปลออกตรงปากเมืองปากทางออกนี่ทั้งสทางมันก็มีเส้นทางเจาะชอนถึงกันได้ทั่วไปหมดแต่ท้าลึกเข้าไปแล้วมันจะต้องอาศัยเส้นทางด้านซ้ายตลอดนอกนั้นจะเป็นทางเบียนสลับไปสลับมาไม่มีทางไปได้ไกลหรอกถ้ามีรู้มาก่อนก็หลงตายที่บุญคำมาโผล่ออกฟากนี้ได้ เพราะสมัยก่อนนี้เอาปูนขาวกาเป็นเครื่องหมายไว้เป็นระยะระยะบุญคําเคยหลงอยู่ในถ้ำนี้สามวันสามคืนคราวโนูน้นดีแต่ว่ามีน้ํากับข้าวตากพอประทังไปได้ไม่งั้นก็เป็นฝีไม่งั้นก็เป็นผีเฝ้าถ้าไปแล้วพร้อมยังเราจะเข้าไปกันเดี๋ยวนี้แหละไปนายทั้งสองบอกเป็นเสียงเดียวกันเอางี้บุญคาเป็นคนนําฉันจะตามเป็นคนที่สองจันระวังหลังไว้ตลอดเส้นทางเราจะช่วยกันสํารวจช่องทางพร้อมกันไปด้วยแต่จุดหมายปลายทางระยะแรกก็คือ จะต้องย้อนไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่คนทั้งสองหนีหินถลม่มหรือปากทางเข้าทำฝากโน้นนั่นแหละเข้าใจไหมกลับไปที่เก่าเข้าใจนายแต่ไฟฉายของบุญคําก็ไอจันทานหมดแล้ว่านสำรองก็ไม่มีเหลือแสงริบหรี่นิดเดียวเท่านั้นตะกี้ก็ลืมบอกไอเ้เฉยให้แอบไปเอาทานไฟมาเปลี่ยนให้ใต้ก็ไม่ได้มีเตรียมติดมาด้วยเลยสักอันไปอยู่กับพวกลูกหาบหมดแต่พรานเท่าบนเอาไฟฉายของตนออกมากดสวิตซ์สองให้ดูแสงมันดีขนาดเพียงแค่มองความมือเห็นเท่านั้น ปรพินส่งไฟฉายประจําตัวของเขาไปให้บอกว่าบุญคําเอาไฟฉายของฉันนี่ใช้เราไปพร้อมๆกันไฟฉายดวงเดียวก็พอระยะไหนไม่จําเป็นเราไม่ต้องส่องตรงวนไฟไว้แล้วฉันยังพอมีไอ้นี่อีกดวงหนึ่งเขาชูกล่องพลาสติกที่ถือเตรียมอยู่ในมือชนิดหนึ่งขึ้นพร้อมกับกดสวิตช์แสงสว่างนวลของหลอดนีออนกําลังสว่างขนาดไฟฟ้าหกสิบแลงเทียนก็นวลขึ้นทันทีขนาดของมันเล็ ก, กทัดรัดนิดเดียวเมื่อเทียบกับกําลังของแสงที่เปล่งออกมา เราเป็นกล่องแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงแค่แปดนิ้วและกว้างเพียง4ี่นิ้วเท่านั้นแทนแตะเกียงได้เป็นอย่างดีบุญ ค, คำกับจานอุทานออกมาอย่างดียินดีถ้างั้นสบายแล้วนายตะเกียงไฟฟ้าของนายสว่างดีกว่าไฟฉายซะอีกเวลาส่องหาอะไรใกล้ๆมะตามหลังไอ้คำอา้าวไอ้จานเองเปิดเองเปิดเองปิดหลังระวังหลังไวให้ดีอย่าให้ห่างจนเอื้อมมือไม่ถึงละ่ะย่าให้ห่างจนเอื้อมมือไม่ถึงนายละ่ะว่าแล้วแต่คําก็ออกเดินหน้าทัานทีโดยฉายไฟเป็นจังหวะสั้นๆ ใหละผิดพอจะจับสังเกตอะไรได้ในเส้นทางแต่ละช่วงที่จะผ่านเข้าไปนั้นพรานใหญ่ปิดสวิสตซ์เกียงไฟฟ้าของเขาเพื่อถนอมแบตเตอรี่ไว้จะเปิดออกซองดูอะไรก็มาถึงเขาสงสัยไม่แน่ใจเท่านั้นส่วนมากแล้วจะอาศัยไปในความมืดโดยฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับความชำนาญทางมาก่อนของสมุนขวาของเขาจันนั้นก็กล้าตามมาติดๆทั้งชุดไปในลักษณะเรียงเดี่ยวเป็นระยะทางกันอย่างมากแค่ช่วงแขน ช่องพโพรงที่บุญคําเริ่มนําเข้าไปนั้นมืดเหมือนเดินเข้าสู่นรกมีแง่หินทั้งริมผนังทั้งบนเพดานและที่งอกตามพื้นเกะกะไปหมดซึ่งทําให้ได้ใช้ความระมัดระวังให้ดีก็จะเดินชนกระทบบาดเจ็บมีฉะนั้นก็สะดุดลม้มแต่อันเนื่องมาจากทั้งสคนที่ไปได้วยกันล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีอาชีพดูกาปาดงพงไพรขุนเขาและเหวทำมาเป็นอย่างดีแล้วจึงไม่มีอุปสรรคใดๆเลยแค่สกิดเตือนกันนิดเดียวก็สามารถรู้ได้ทันทีวะ่ะ ควรจะเฉียบชิดซ้ายชิดขวาหรือว่าก้มมุดลอดอย่างไรแม้จะผ่านปากเบื้องธรรและมุดลอดเข้าไปในรูโพรงแล้วระยะตน้นตนมันก็ยังมีระดับสูงและกว้างพอที่จะเดินไปได้อย่างสบายแต่ลึกเข้าไปได้สักพักเดียวบนทางก็เริ่มจะต้องก้มก้มเงยเงยหรือบางขณะก็ต้องมุดลอดในลักษณะเกือบจะคลานประพินใช้ประสาทสัมผัสสังเกตการเคลื่อนไปเบื้องหน้าของบุญคําซึ่งทําหน้าที่เป็นคนนําทางอย่างดีตัวเขเองก็ ไม่ใช้วิธีสองเผยฉายบ่อยนะแต่จะใช้การพูดบอกเตือนมากกว่าว่าบริเวณไหนควรจะผ่านไปอย่างไรระวังชนแง่หินเท่านั้นนายตอนนี้เหวยังไม่มีตรงกลางกลางอีกสักชั่วโมงแล้วก็ต้องระวังกันให้มากหน่อยถ้าพลาดก็ลงบาดาลเลยเพราะารูมันเยอะรูกลวงลงไปข้างล่างใต้ดินไม่ใช่รูตามผนังแม้เพียงชั่วระยะตึงต้งที่เพิ่งจะมุดลอดคืบหน้ากันไปเข้าไปเท่านั้น มันกลายเป็นโลกอีกโลกหนึ่งแล้วจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันยกเว้นแต่จะมีนาฬิกาดูเวลาเท่านั้นเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้แต่เสียงมแมลงรูใหญ่ก็มาถึงบริเวณเหมือนโถงกว้างบริเวณหนึ่งบุญคำส่องไฟกระดาษให้เขาดูเพื่อให้เห็นภูมิประเทศเสียก่อนผนังทุกด้านตันทึบยกเว้นด้านหน้าแห่งเดียวที่มีย่อมหินลักษณะที่จะปีนป่ายกันขึ้นไปได้ ตอนนี้นายต้องเปิดตะเกียงไว้ก่อนนะเราต้องปีนขึ้นสูบไปบนยอดหินโน่นแกชี้บอกด้วยเสียงกระซิบพอสุดยอดหินก็ลงอีกทางด้านหนึ่งแล้วก็เข้าไปช่องแคบเป็นเส้นทางเดินเหมือนเดิมจองพ ร, รานพินิจไปรอบๆมองไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยแตกหรือช่องทางอื่นใดที่จะแยกไปยังเส้นทางอื่นได้นอกจากทางที่บุญคําบอกแล้วพยักหน้าพลักแกเบาๆ เ, เ, เป็นสัญญาณเตือนให้ปีนนาขึ้นไปตนเองก็ก้าวตามแง่หินที่แกเยียบให้ดูเป็นตัวอย่างทุกขณะ ทุกระยะเปิดตะเกียงไฟฟ้าอันจิ๋วตรวจไปไม่ยอมให้อะไรพลาดไปจากความถี่้วนรอบคอไปได้บัดนี้คงได้ยินแต่เสียงหายใจของแต่ละคนเท่านั้นหรือมิเช่นั้นก็แทบจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นเหลือกลับมาเบื้องหลังกันตามติดอย่างชนิดไม่มีอะไรจะต้องห่วงบัตดนี้ทั้ง3ามสไพล์ไลเฟิร์แนบกระชับกับตัวแบบเฉียงไหลโดยแน่ใจว่าจะไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องอาศัยพึ่งพางมันก่อนนั้นทั้งสิ้น กระพินเพียงแต่ดึงจุด4ี่สีแมกนัมที่บรรจุอยู่เป้หลังมาเหน็บเอวไว้เอาผ้าขาวม้ามัดอีกชั้นหนึ่งในมืออีกข้างกระชับมีดโบวีซึ่งความจริงก็คือมีดลงอาคมของเขาแตะเคาะหรือมิฉะนั้นก็ใช้ส่วนสันของมันปากฟันทําตําหนิไว้เป็นระยะระยะที่ปล่องทะลุขึ้นไปทางด้านสูงบนเพดานถ้ำส่วนในบ้างไม่เท่าที่ผ่านมาแล้วเขาสอบความระบะระหวังที่ปีนป่ายไต่าทางกันขึ้นไปบนก้อนหินลื่น เป็นมันปราบที่งอกสลับเป็นช่อชั้นนั้นและคําถามนั้นนั่นเองทําให้บุญคํายิ่งเหมือนจะนึกอะไรอยู่ครู่เอจะมีหรือเปล่าตรงไหนบุญคำก็ไม่ทันจะสังเกตเหมือนกันน า, นายที่พยายามค้นหาเพราะค้นแต่เฉพาะทางด้านราบเท่านั้นหวังจะหาทางให้หมันเชื่อมทะลุกับช่องที่นายทหารกับแมมคริสเข้าไปติดอยู่แต่ก็หาไม่พบและตอนที่บุญคําก็จันมุดลอดออกมาก็เป็นเวลากลางคืนมองไม่เห็นแสงอะไรเลยถ้าเป็นเวลากลางวันและถ้ามีปล่องทะลุ ขึ้นไปถึงข้างบนได้ตรงๆแสงมันคงจะลอดลงมาให้เห็นได้มั่งตลอดทางที่มุดกันออกมาอากาศเป็นยังไงฉันหมายถึงว่าหายใจกันได้สะดวกดีไหมหรือว่ามีตอนไหนที่หายใจไม่ค่อยจะออกบ้างเขาอยางเพื่อต้องการทราบสภาพของการถ่ายเทของอากาศและออกซิเจนมันก็หายใจได้สบายเกือบตลอดเส้นทางนั่นแหละนายมีอยู่ตอนเดียวเท่านั้นใกล้กับฝากนูนเข้ามาสักพักใหญ่เป็นตอนที่แคบที่สุดต้องใช้วิธีเลื้อยผ่านเข้าไปอย่างงู เราเป็นโพรงสูงแค่ซอกเดียวกว้างแค่วาถ้าคนตัวอ้วนใหญ่หน่อยก็จะออกไม่ได้ตรงนั้นแหละที่หายใจไม่ค่อยออกแต่ทางมันไม่ยาวนักหรอกระยะสัก20กว่าวาเห็นจะได้ตรงนั้นเรียกว่ารูจริงๆตัวขนาดในห้างบ๊อบหรือในคิดหัวเกลียนนั่นแล้วก็ติดแงะแกะไม่มีทางเลื่อยออกมาได้หรอกยังอยู่อีกไกลนับจากฝ้าคันนี้ไปคาบอกเล่าของบุญคําทําให้เขาประมาณการได้ทันทีว่าระบบถ่ายเทอากาศภายในถ้ำลึกใต้ภูเขาแห่งนี้อยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียว และนั่นต้องแสดงว่ามันน่าจะมีช่องทางที่จะโผล่ออกไปทะลุยังโลกภายนอกได้หลายทางเป็นช่องทางระบายลมอย่างน้อยที่สุดก็อาจจากปล่องโพรงที่ทะลุสูงขึ้นไปเบื้องบนที่บุญคำยังสำรวจไม่พบมิฉะนั้นระยะทางที่ใช้เวลามุดรอดกันออกมานานถึงสองชั่วโมงทั้งสองคนนี่จะหมดออกซิเจนและตายเชก่อนอย่างแน่นอนว่าจะโผล่ออกไปยังอีกฟากหนึ่งได้ ความหวังที่เกิดขึ้นอย่างริบเรีจากความท้อแท้ทอดอะไรทั้งบุญธรรมและจันทร์ไม่เข้าใจหรือเฉลียวคิดใดๆในคำถามของเขาเลยเพราะตามความคิดไม่ทันก็นึกแค่เพียงว่าเจ้านายชวนพูดคุยข้าเวลาไปเช่นนั้นเองอ๋อตายลงมาจากโคกคินเล็กๆที่พูดงอกอยู่ใจกลางถ้ำทั้งสามก็ซอกซอนไปาตามเส้นทางเดิมนั้นรุดหน้าต่อไปอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลาแต่การเดินงมไปในเส้นทางใต้ภูเขาไม่ใช่ของสะดวกนะัก เพราะเสียงอันตรายอยู่ทุกขณะเนื่องจากพื้นที่ครูคราเป็นหลุมเป็นบ่อชนิดที่อาจถลํ่มสะดุดล้มออกง่ายๆและพอ20นาทีให้หลังก็เริ่มเฉียดมินเนะกับปากขอบเหวเล็กบ้างใหญ่บ้างซึ่งบุญคําจะคอยส่องไฟและเตือนให้ทราบตลอดเวลาประพินเองก็ยอมรับว่าเต็มกลืนเหมือนกันถ้าหากไม่ใช่มีบุญคํากับจันผู้ผ่านเส้นทางมาก่อนและเป็นผู้ น, านําทางก็คงจะต้องงมและเคลื่อนไปได้ช้ากว่านี้อย่างน้อยอีกเข้าตัวปากเขวบางเหวนั้น จะต้องอาศัยเกาะยึดกับหินริมผนังถ้ำเบียดตัวรีบค่อยๆคืบเฉียดผ่านไปอย่างมินเมที่สุดหรือบางแห่งก็ต้องอาศัยเกาะปีนตามผนังข้ามหุบเหวทุกเขวทุกตําแหน่งอันหน่าที่จะคิดว่าควรมีทางแยกไปเส้นทางอื่นได้ปพินจะยอมหยุดเสียวเวลาใช้ไฟส่องอย่างละเอียดที่สุดแล้วทําตําหนิหมายตาไว้กันลืมทีม่ซอกทางแยกเริ่มให้เห็นทีขึ้นทั้งสองฝั่งทางจอมพรานทดลองบอกให้บุญรำและจันหยุดรอก แต่ตัวเองเปิดตะเกียงไฟฟ้าส่อง ย, ย่องส่องเข้าไปก็ปรากฏว่ามันเป็นจริงตามที่ทั้งสองได้บอกไว้ก่อนแล้วส่วนมากนั้นเดินลึกเข้าไปได้สีห้าวาเท่านั้นก็พบกับผนังหินตันทึบบางแห่งอาจจะมีหักโคดรเคี้ยวปีท่าทีว่าน่าจะซอกซอนไปได้อีกอไกลแต่พอเลี้ยวลอไปได้สักสองสาช่วงก็พบกับหินตันอีกได้ อ, อย่างมากที่สุดก็พบกับรอยแตกเล้าของหินเป็นเส้นดํามืดเข้าไปกว้างแค่ฝ่ามือเดียวเชื่อบุญคําเฮอนาย กันก็บุญคําลองดูแล้วทุกซอกทีเดียวแหละมันก็นอย่างที่นายเห็นตันบ้างเจอแค่เหวดักอยู่ริมสุดบ้างหรือไม่ก็ดีรูที่ซอกแค่คืบสองคืบนอกจากจะแปลงตัวเป็นตุ๊กแกได้เท่านั้นแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเป็นตุ๊กแกแล้วคลานตามซอกหินแตกเล็กๆเข้าไปจะไปโผล่ออกที่ไหนได้อีกหลหรือเปล่าบุญคาว่ามันตันไปหมดมีทางเดินสายกลางได้อาศัยอยู่สายเดียวเท่านั้นที่จะเชื่อมตีนเขาฟ้ากนนันน กฝากกันนี้นายเองก็มีวิชาดีน่าจะเรียกเจ้าของถ้า ม, มาถามดูว่าสองคนนั่นอยู่ไหนตายแล้วยังถ้าฉันวิเศษถึงขนาดนั้นฉันก็ไม่เรียกเจ้าถ้ำออกมาถามให้เสียเวลาหรอกเรียกทั้งสองคนนั่นออกมาเสียเลยไม่ดีกว่าหรือมีศาจก็สักแต่จะพูดพูดจะพูดไอ้ที่ไม่เป็นภาษาตายกันมาเข้ามานี่แล้วไม่ตกเหวไม่ถูกงูฉกก็ดีเท่าไหร่แล้วจะบอกให้ก็ได้ตอนที่ฉันเลี้ยวเข้าไปทางซอกเมื่อตะกี้ พบคราบจงอางร้อยเกร็ดแต่ละชิ้นขนาดเท่าซองบุหรี่อลหังอลหังเจ้าประคูลไม่เคยมีเวรจำกันมาก่อนเพราอย่าได้พบกันเลยเสียงแต่เท่าสั่นรัวยกมือพนมท่วมหัวแล้วก็เป็นที่น่าประหลาดสําหรับบุญคําและจานอยู่ไม่น้อยเช่นกันเพียงแต่ไม่ปริปากพูดออกมาเท่านั้นการย้อนกลับเข้ามาในถ้ำลึกลดเดยอะน่าสะพึงกลัวใต้ภูเขาทั้งลูกโดยมีละพินไพรวันมาด้วยในครั้งนี้ไม่ผ่านพบกับสัตว์้ลยขาดอันตรายใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีภาพมายาคอยหลอกหลอนให้ตาฝาดเห็นไปได้ต่างๆนานาด้วยเพียงแต่เดินระวังชนหินหรือตกเขวอันเป็นภูมิประเทศตามธรรมชาติเท่านั้นหนทางปลอดโปรงที่สุดในที่สุดก็ผ่านปากเหวขนาดใหญ่ที่บุญคาเคยบอกไว้ว่าขนาดโยนตก้อนหินลงไปยังไม่ได้ยินเสียงกระทบซึ่งเมื่อพลานใหญ่ทดลองดูก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆไฟฉายไดายนาลัยหกท่อนอันเป็นไฟล่าสัตว์ที่รัศมีส่องได้ไกลและโฟกัสแคบที่สุดใช้ลงไป ก็พบแต่อากาศอันว่างเปล่าไม่มีที่สิ้นสุดปลายลําแสงกลืนหายไปในความมืดเป็นแต่จะเฉียดฉายเข้าไปริมลิมขอบซึ่งก็จะพบเฉพาะแง่หินที่โผล่เ ก, กะกออกมาเท่านั้นสุภาพบุรุษจอมพลายเปลาล่มออกจากปากป้ายแขนเสื้อเช็ดหน้าผากนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งของหลายหลายครั้งที่เขาบังเกิดความหมดแรงทอแท้แต่ก็สู้กัดฟันมานะฝืนทํากิริยาให้แลดูเป็นปกติที่สุดในสายตาของลูกน้องสองคน ที่ติดตามมาด้วยถ้าเขาเพียงแตจะแสดงออกถึงความสิ้นหวังทอดอะไรแม้แต่นิดเดียวทั้งบุญคำและจันจะยิ่งขวัญเสียและหมดกําลังใจทันทีส่องไฟตรวจลงไปในบ่อเหวขนาดใหญ่ราวกับเป็นทางนําไปสู่เมืองบาดาลตามที่บุญคํากระจันว่าแล้วระพินก็กระดกลำไฟฉายทางเบื้องสูงเหนือ้อศีรษะขึ้นไปบ้างเขารู้สึกได้ทันทีว่าบริเวณด้านบนของบ่อเหวนั้นมีส่วนสูงเป็นช่อชั้นขึ้นไปมากผิดกับเพดานทาทุกๆตอนที่ผ่านกันมาแล้ว อินแต่ละก้อนซ้อนทับกันอยู่ไปมาสวยงามยิ่งเป็นหลืบเป็นแง่ตะพักน่าสังเกตอยู่แต่เท่าที่ลำไปฉายส่องขึ้นไปในขณะนี้จุดปลายทางของมันก็คือเพดานที่เป็นหินย้อยโปรแซมลงมาเต็มไปหมดเหมือนฟันของสัตว์ประหลาดที่อ้าเตรียมจะงับลงมาชะนั้นและแล้วบัตรนั่นเองโดยไม่บอกให้บุญคำหรือจันรู้ตัวมาก่อนเลยประพินก็แงหน้าขึ้นป้องปะตะโกนสุดเสียงของเขา ไลล่าบุญคำและจันทร์สะดุง้งโหยงร้องเ อ, อิบขึ้นพร้อมกันยังตกใจกระแสเสียงนั้นสะท้อนก้องดังไปทั้งผนังถ้ำคลื่นเสียงรับทอดกันและดังล้อเลียนขึ้นไปเบื้องสูงอื้ออึงไปหมดเสียงลายล่าลล่าลล่าวังเวงสูงขึ้นไปตามลําดับเหมือนมีใครร้องรับต่อเป็นช่วงๆแต่ทว่าห่างสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลําดับภายหลังจากตะโกนไปดังนั้นแล้ว เขาก็ไม่ทราบตนเองเหมือนกันว่าเหตุใดจึงเรียกนามเดิมแท้จริงของคริสและเรียกร้อนแทนที่จะเรียกเชิดวุดตัวเองก็ยืนขมวดคิ้วเงียบหูฟังเสียงสะท้อนกล้องรับกันเป็นช่วงๆของตอนจนกระทั่งมันค่อยๆแผวเหือดหายไปในที่สุดซึ่งใช้เวลาประมาณห้าหรือ6วินาทีกว่าจะจางสิน้นกลายมาเป็นความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินตามเดิมณณนายเจียงบุญคํากระซิบกระสาวเอามือจับแขนเขาไว้แน่นดีหน้าของแกและจาน์ปั้นยากที่สุด เปาฉันไม่ได้เป็นอะไรไปหลอกบุญคำไม่ได้บ้าอย่าตกใจไปเลยกระพินพูดปกติตามเดิมแล้วนายตะโกนอะไรเนะร้องไอย้ย่าเป็นเจ๊กไปแล้วเรอจันถามขึ้นบ้างความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับบุญคำขณะนี้ทั้งสองจ้องเข้าเขม็งฉันทดลองตะโกนทําเสียงดังๆทรงเด็ดออกไปนั่นเองแหละจะลองดูว่าโรงหรือเพดาเนเหนือหัวเราขึ้นไปตอนนี้มันมีซอกมุมหรือว่าสูงขึ้นไปอีกบ้างไหม แล้วทั้งสองคนรู้สึกไหมว่าเสียงทิศตะโกนขึ้นไปมันจะทอนไตสูงขึ้นไปมากทีเดียวเออจริงด้วยนายเสียงของนายมันดังเจโก้ดีพี่ลึกบุญคำดอกภาษาฝรัง่งเขาให้แล้วคำหนึ่งอาศัยที่เคยคบหาคลุกคลียกับพวกผิวขาวและได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆจากคำจากบางคำแกคุ้นหูพอจะเรียนเสียงได้บ้างแต่รู้ความหมายพอ ง, งูงูปลาป เอ็กโคอันหมายถึงระบบเสียงสะท้อนกล้องซ้ำๆล้อกันไปมาจึงกลายเป็นเจ็กโกไปซึ่งละพินก็ฟังรู้เรื่องดีเหมือนกันแต่จย์ฟังไม่รู้เรื่องตกิตถามว่ามันเป็นยังไงพี่คําไอ้ที่ว่าดังเจกโกนะ่ะบุญคําทําตาเคี้ยวดุเบาๆว่าอย่าถามไอ้จารย์จะที้บลงเหว่กูก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นหนายร้องไอ้ย่าเสียงคําหลังว่าย่าๆๆๆมันสะท้อนกลับไปกลับมาไตา่สูงไปถึงไหนต่อไหนกว่าจะหมดเสียงฝรั่งมันเรียกเจกโกโวย อ๋อเจโก้เจโก้จันทำปากมูบหนิบท่องไว้และพยักหน้างึกเงึกแล้พินเอานิ้วเคาะขมับตัวเองเขาไม่สนใจโวลกลูกน้องสองคนจะพูดอะไรกันอยู่เริ่มใช้สมองใครครวญ น, นั่งอีกครั้งเสียงตะโกนของเขานอกจากสภาพของการจะทอนกล้องล้อตัวตัวเองแล้วก็กลืนหายไปในความวิเวกสงัดของสถานที่ไม่มีอะไรจะตอบออกมาเลยนอกจากเสียงเต้นตึบตบึเป็นจังหวะของหัวใจตัวเองในซวงอกเคยทดลองปีนขึ้นไปบนแง่หินข้างบนนั่นบ้างไห ในสุดเขาก็ถามบุญคำตาเท่าสั้นหัวปีนขึ้นไปทําไหมนะไอ้ก็เห็นอยู่แล้วว่าหลังคามันตันทั้มยังมีหินงอกลงมายัางกระฟันตะเคยมีช่องที่จะมองเห็นทะลุขึ้นไปตรงไหนกันทึบไปหมดแล้วทําไมเสียงของฉันเมื่อตะกี้ดี่ถึงลอยสูงกังวานไกลออกไปเรื่อยๆเขาเอ่ยขึ้นในลักษณะรำพึงมากกว่าจะตั้งคําถามเพราะเรื่องแบบนี้จะไปปรึกษาหาหรืออะไรกับบุญคำหรือจันก็ไม่มีวันเข้าใจกันได้ นอกจากจะใช้ให้ทําอะไรก็ใช้เท่านั้นทั้งสองเงียบเฉยไม่มีความเห็นอะไรเพราะไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แม้แต่เบื้องต้นมาก่อนเลยถ้าจะเรียนมาบ้างก็กับพระตามวัดในยุคที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็แค่กอขอกอกาเท่านั้นต่อมาก็ใช้แค่ความจําเรียนทางสายเวิอาคมลงอักขระขอมเดรัจฉานวิชาไปตามพื้นเพของตนเอาละเราผ่านตรงนี้ไปก่อนค่ะบอกไปให้ถึงปากทางหินถลม่มกรบลงมาปิดช่องด้านโน้นเลยไล่เข้ามาแล้วไม่ใช่หรือ ผ่านเหวนี่เลื้อยลอดหินกันอีกกระเดียวก็ถึงปากทางฝ้าขนน้นแล้วนายระพินส่งไฟฉายไปให้ตะคำตามเดิมแล้วทั้งสามก็ค่อยๆไต่เลาะขอบเหวอันน่ากลัวนั้นผ่านพ้นไปชั่วไม่นานโดยการลดตัวลงนอนพังภาพกับพื้นและเคลื่อนกระดิกตัวแบบงูเลื้อยลอดช่องหินที่กดแคบต่ำลงมาเกือบแนบชิดกันทั้งสามก็พ้นบริเวณวิบากนั้นมาได้โชคดีอยู่บ้างที่พื้นเบื้องต่าซึ่งเอาอก และใสไปเป็นพื้นหินเกลี้ยงเรียบพอสมควรไม่ครุขระเป็นกระปุ่มตะป่๋ำเกินไปนะักจึงไม่เกิดอันตรายใดกับผิวหนังมากไปกว่าทะลอกและเสื้อขาดวิ่นบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะเสื้อและดุมเสื้อของระพินสําหรับจันและบุญคํานั้นรุ่งลิ่งมาก่อนแล้วจึงไม่มีอะไรจะขาดอีกนอกจากหนังกําพราคณะที่เลื้อยผ่านที่ขับขันกันไปนั้นทั้งสามอดไม่ได้ที่จะหวนระลึกไปถึงเจ้านักเลงโตหล่มช้างขายินผู้มีความชํานาญในการเลื้อยเป็นพิเศษ เป็นความคิดอยู่ภายในซึ่งตรงกันแต่ไม่ได้เอ่ยออกมาเท่านั้นในสภาพเช่นนี้ถ้าเป็นขยินไอเสือนั่นจะเลื้อยไปได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายน้องน้องงูทีเดียวพ้นบริเวณนั้นซึ่งก็จริงตามอย่างบุญคําว่าคืออากาศเบาบางเป็นพิเศษทําให้หายใจไม่เต็มปอดนะักแล้วก็เข้าสู่เส้นทางที่เหมือนเดิมเริ่มมีอากาศพอจะหายใจได้คล่องขึ้นและจะไม่ถึงกับอากาศในที่โล่งก็ตามทีจากนั้นชั่วไม่กี่อึดใจบุญคําก็นําหน้าริ่วไปทั้งหมดก็มาเผชิญกับปากทางตัน หินก้อนใหญ่น้อยนับจำนวนไม่ท่วมทับถมปิดทึบอยู่ตรงปากทางนั้นเป็นหินเปราะที่เพิ่งจะถลม่มหักลงมากรบทับและไม่ทราบว่าจะถมทับกันขึ้นไปสูงสักเท่าใดบริเวณอันเคยเป็นปากถ้ำเมื่อก่อนด้านนั้นลึกเข้ามาข้างในห้าหกวาก็มีหินลักษณะเดียวกันแต่ก้อนย่อมย่อมกระจายล้ำเข้ามาเกลื่อนไปหมดประพินพัยวันมองตามลาไฟฉายที่บุญคาส่องกว่าให้ดูช้าๆแล้วเขาก็รู้สึกใจหาย ระเดิกน้ำลายลงค อ, อยังไม่รู้สึกตัวนี่แหละนายปากทำที่บุญคํากับจนันเพนนี้หินถล่มเข้ามารอดตายกันแค่เส้นยาแดงเท่านั้นไอจันลาขาบุญคําเข้ามาตอนที่หกล้มก่อนจะแล่นไปถึงตัวแม่มคริสก็นายทหารเชริดวุฒิที่เล่นทุบกันอยู่ ต, ตุ๊บตับจอมพรานลีม่านตาลงลักษณะของเขาเมอมองจ้องหินซึ่งบันนี้กลายเป็นผนังติดเหล่านั้นยังตกอยู่ในห่วงผวังห้องผวั ง, วงมันเกิดความยิงเวียนเหมือนจะเป็นลม จะเป็นเหลืออะไรอีกแล้วสำหรับคริสติน่าผู้น่าสงสารในความรู้สึกซ่อนเร้นส่วนรึก ข, ของเขากับลูกชายท่านในผลรุ่นน้องผู้น่ารักคนนั้นถ้าหากว่าทั้งสองคนหลบพายุหินเหล่านั้นไม่ทันแม้แต่กระดูกก็จะกลายเป็นถุไปหมดและหรือว่าท้าแม้หลบเข้าไปในช่องโพรงที่มีอยู่อีกสองโพงรงใกล้เคียงกับโพรงนี้และค้นหาทางออกไม่ได้ทั้งคู่ก็จะติดอยู่เฉพาะในช่องโพรงแต่ฝังทั้งเป็นแน่นอน อย่าว่าแต่ร่างกาย ข, าขนาดมนุษย์เลยต้องให้ทำตัวยอดสวนให้เล็กเท่ากับแมลงสาบก็ไม่มีวันที่จะซอกแซกมุดภูเขาหินที่ทลม่มลงมาทับถมกลบเส้นทางเดิมนี้ไปได้สุภาพโรษไพรสุดกายลงนั่งกับพื้นถ้ำลังพิงผนังเหยียดเท้ายาวลําคอแห้งผากใบหมดกุมขมับเสียงบุนคำกับจนันพูดอะไรกันเองอยู่พึมพาแล้วต่อมาทั้งสองก็เข้ามานั่งประกบอยู่ข้างๆเขานาย นายไม่สบายเหรอจัน์กระซิบเรียกอย่างเป็นห่วงจับแขนคขาระพินสั่นศีรษะไม่เป็นไรหรอกบุญคำวิทยุขอวิทยุของบุญคำอยู่กับตัวไม่ใช่หรออยู่นี่นายจะทดลองอะไรหน่อยออกขึ้นมาถือไวส้สิฉันจะลองกดสัญญาณเรียกดูเราอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้แหละแล้วดูสิว่าถ้าฉันกดสัญญาณเรียกกระแสคลื่นวิทยุมันจะไปบังคับวิทยุของบุญคำมีเสียงดังเรียกขึ้นไหมเอาละนายลองกดสิ จอมพรานล้วงวิทยุจับเป้หลังออกมาเปิดสวิตแล้วกดสัญญาณเงียบกริบไม่มีเสียงออดดังขึ้นจากเครื่องของบุญคําเลยสักนิดเดียวทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ใกล้กันแค่คืบพวกกดอยู่หลายครั้งและบอกให้บุญคํากดของตอนเองดูบ้างผลเป็นเช่นเดียวกันพรานใหญ่ถอนใจเฮือกนึกแล้วไม่ผิดวิทยุเรียกกันไม่ได้เลยเมื่อเข้ามาอยู่ในถน้านี้สภาพของมันก็เหมือนกับตอนที่พวกเราพักอยู่กันตรงหน้าผาที่เกรียงอพยพขึ้นไปอาศัยอยู่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นภายหลังจากหินถล่มลงมาแล้วทุกฝ่ายจึงเรียกกันไม่ได้เลยต่อให้แม่มคริสกับนทหารเชริดวุธยังมีชีวิตอยู่โดยติดขังอยู่ในพโพรงถ้ำตันก็ใช้วิทยุส่งเขาเพราะความช่วยเหลือไม่ได้แบบที่เราทดลองกันอยู่นี่แหละนายบญ ค, คำถามจริงๆเหระนี่นายยังคิดว่าสองคนนั้นยังไม่ตายเหรอสมุนขวามือดีของเขาถามขึ้นในน้าเสียงจริงจังที่สุด ระพินไม่ตอบเพราะไม่รู้จะตอบเช่นไรแต่เท่าบอกต่อไปว่าอย่าว่าแต่ตุวได้ตัวมาเป็นเป็นเลยต่อให้ศพก็หาไม่พบบุญคําบอกนายแล้วและที่บอกนายให้บุญคําพานายมาถึงปากถ้ำฝา้าคันนี้บุญคําก็พามาถึงแล้วยังไงนายจะเอาอยัางไงต่อไปก็ให้ว่ามาจอมพรานคงสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นเปิดตลับเก่าๆ เ, เ, เล็กๆที่ล้วงออกมาจากกระเป๋าเสื้อหยิบยาเม็ดนึงขึ้นมาใส่ปากกลืน่นเป็นยาประเภทระงับประสาท คนที่น่าสงสารที่สุดไม่ใช่แม่มคริสต์นในทหารเชิดมุดหรอกพี่คำที่แท้ก็คือนายละพินนี่เองจัน์ครางออกมาจากส่วนลึกของหัวใจอืมกูก็ว่างั้นเลยว่าไอ้จัน์ใครจะเป็นจะตายร้ายดีชี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกนายกูต้องเป็นพาระลำบากเลือดตากระเด่นทุกทีไปเฮยุให้ไปอยู่บางกอกกับนายหญิงเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยุไม่ขึ้นที่กูก็นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงกันต่อไปดี นี่กับตัวร้อนชาเลยไม่รู้จะจับใครขึ้นมาอีกหรือเปล่าร่มชิมหายเลยขณะที่พูดประโยคสุดท้ายตัดเท่าเอามือมารูปํำหน้าผากของเขาประพินปัดมือขึ้นนั้นออกช้าๆแล้วมือข้างหนึ่งของเขาก็จับมือบุญคำไว้อีกข้างหนึ่งจับมือจันบีบแน่นด้วยความรักทั้งสองคนอย่าห่วงเลยฉันบอกแล้ ว, ว่าฉันไม่เป็นไรหรอกรับรองได้เอางี้ตอนนี้เราสาว สคนทําได้ดีที่สุดก็แค่นี้เองยังทําอะไรต่อไปอีกไม่ได้จนกว่าข้างนอกทํามันมีแสงสว่างและหมอกหมดพอให้มีแสงอาทิตย์ขึ้นและกว่าหมอกจะหมดเห็นแสงตะวันก็คงจะอีกสองสามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเขาพูดชา้าๆบุญคํากับจันท์ก็กรากรำหนักมาทั้งคืนแล้วยังไม่ได้พักหลับนอนเลยระยะเวลาที่รอให้โลกข้างนอกมีแสงสว่างเช่นก่อนนี่แหละเราทั้งสามคนมานอนพักเอาแรงกันเธอนอนให้หลับรอให้ตะวันขึ้นข้างนอกเช่นก่อนแล้วเรา จะตรวจหาช่องทางย้อนกลับทางเดิมอีกทีเอาระดับไฟสงวนฐานไว้ดีกว่าเรานอนพักด้วยกันตรงนี้แหละกล่าวจบเขาก็<ๆ>ปลดเป้หลังและไลายเฟิ่นที่สะพายเฉียงไหลออกมาเอาเป้แทนหมอนเอนกายลงนอนคุณคำกับจันนั่งซึมอยู่ครู่ก็ปฏิบัติตามเมื่อตะเกียงแบตเตอรี่และไฟฉายดับบริเวณนั้นก็เหมือน น, อนรกนนลการคือดาสนิทมองไม่เห็นอะไรแม้แต่อย่างเดียวรู้สึกสัมผัสกันได้ ก็อยู่กันสามคนโดยนอนเรียงกันเป็นหน้ากระดานโดยเฉพาะมือที่เอื้อมไปถึงกันได้เท่านั้นบุญคำก็เพลียป่อแป้จันเองก็หมดแรงแล้วพอหลังแตะพื้นหัวถึงย่ามหนุนจันก็ดับเครื่องสนิทแบบสลบสลบุญคคำนั้นยังไม่หลับทันทีแกเอื้อมมือมาควานหาตัวเขามันจะให้แน่ใจที่สุดว่าเจ้านายยังนอนอยู่ที่เก่าใกล้ๆนายมีความหวังอะไรถึงบอกว่าลองให้ตะวันขึ้นโลเสียก่อนช่วยบอกไอคำหน่อยเฮ้ ความหวังเป็นสิทธิทางธรรมชาติของมนุษย์เขาพึมพำเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าจะตอบบุญคำเป็นห้วงๆช้าๆเมื่อยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่คนเราก็ต้องหวังหวังไปสารพัดชนิดสุดใจปรารถนาหวังที่จะได้มีความสุขหวังที่จะสำเร็จผลตามเจตนาที่ตั้งไว้แต่ความหวังของฉันภายในถ้านี้ก็คือหวังที่จะได้เห็นลาแสงของตะวันส่องความสว่างลงมาบ้าง ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเอาแค่นั้นเรื่องอื่นว่ากันทีหลังนอนหลับเะื่อเถิดบุญคําตัวเองก็เหนื่อยยากลำเค็นมามากแล้วสาหรับวันนี้ได้หลับสักสองสามชั่วโมงก็ยังดีถ้าตายเราจะตายพร้อมกระหมดทั้งสามคนและถ้าตื่นขึ้นมาอีกคนเราก็จะตื่นพร้อมกันทั้งสามคนเหมือนกันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ฉันไม่มีใครอีกแล้วนอกจากบุญคําและจันทร์เท่านั้นแต่เท่าบุญคําถึงกับน้ําตาซึมแกนอนร้องไห้คนเดียวเงียบ บุญคำไม่เคยร้องไห้เพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้นเพราะรักตัวกลัวตายเสียดายชีวิตหรือกลัวความเหนื่อยยากลาบากกายแต่เพราะความสมเพศเวทนาเจ้านายจับใจซึ่งตัว เ, เองก็บรรยายความรู้สึกนั้นไม่ถูกแต่รับพินก็ไม่มีโอกาสจะรู้เห็นได้เพราะความมืดเป็นฉากกาบังและบุญคำก็กัดฟันสะกดสะอื้นไว้ในหัวอกแล้วที่สุดตัว เ, เองก็พล่อยหลับไปได้วยความอ่อนระโหยโรยแรง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 เท่าแล้วเท่ารอดเวลาจะล่วงผ่านไปซักเท่าใดก็ตามทีสมองไม่ยอมพักมันคงทำงานอยู่ตลอดเวลาครุ่นคิดฟุ้งซ่านไปสารพัดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาของหัวใจที่ทอดทิ้งไว้เบื้องหลังมันเปรียบเสมือนฉากของฆาความฝันร้ายที่สุดโผล่มาให้เห็นในมโนภาพซับซนกันไปหมดคล้ายๆกับการฉายภาพยนตร์ที่มีการตัดต่อผิดตอนผิดฉ ทำให้ภาพกระโดดปนเปนยุ่งเหญิงความคิดถึงความรักอันเคยชุ่มชื่นแสนหวานณวันคืนสุดท้ายที่ยอดรักมาอยู่ร่วมเรียงเ ค, ยงเคียงใกล้เขายัางไม่เคยคาดฝันพร้อมทั้งสัญญาที่จะได้พบกันแต่แล้วก็มีอุปสรรคมาขวางกันยังกระทันหันเหมือนฟ้าผ่ายอย่างปราศจากเมก้กฝนและนั่นก็คือครั้งสุดท้ายแน่นอน ที่จะมีโอกาสได้ผ่านพบอีกแล้วแน่ละ่ะเขาและเธอผู้นั้นดุดตายจากกันทั้งๆ ท, ท, ที่ยังหายใจอยู่หายใจอยู่ใช่ขณะนี้เขายังหายใจอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแตจะหายใจเช่นนี้ไปอีกนานสักเท่าไหร่เนาะอดีตอันแสนหวานระหว่างเขากับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศวกกลับมาเป็นภาพที่เด่นชัดประพินคํานึงย้อนหลังเก็บเอาความทรงจําเหล่านั้นไว้ย่อยในสมองทีละตอน เพื่อสร้างความชื่นชมให้แก่หัวใจตนเองอนาคตนั้นไม่มีอีกแล้วคงเหลือแต่อดีตเท่านั้นสำหรับคนอาภัพอัปภาคอย่างเขาคุณหญิงเคยเห็นเสือโคร่งในป่าใช่ไหมครับทำไมแล้วคุณหญิงก็คงเคยเห็นหูผมหมายถึงสวรที่มันลอยฟ้องอยู่ในสระน้ำแล้วยังไงเสือโคร่งมันคงจะมันจะคงความเป็นเสือมีสง่าราศี ก็ต่อเมื่อมันเดินอย่างอิสระของมันอยู่ในป่าเท่านั้นถ้ามันเข้าไปอยู่ในเมืองเมื่ อ, อไรเป็นต้นว่าจะไปขังกรงแม้จะเลี้ยงไว้อย่างดีแค่ไหนมันก็ไอเสือขี้เรือนตัวหนึ่งเท่านั้นสวนก็เหมือนกันมันคงจะคงความสง่างดงามก็ต่อเมื่อมันลอยฟ้องอยู่ในสะถ้าขึ้นมาเดินบนบกเมื่ อ, อไหรก็หมดท่าเพราะมันก็เดินเตาะแตะเป็ดเราดีๆนี่เอง ฉันไม่เห็นที่เกี่ยวอะไรระหว่างเราสองคนเลยเกี่ยวสิครับเกี่ยวมากเสียด้วยผมคือเสือตัวนั้นและคุณหญิงก็คือสวรหรือหงตัวนั้นผมจะกลายเป็นเสือขี้เรือนถ้าผมอยู่กับคุณหญิงในเมืองเท่าๆกับที่คุณหญิงจะแปลสภาพจากสวรมาเป็นเป็ดทันทีถ้าคุณหญิงมาอยู่ในป่ากับผมนอนเถอะวายในหมู่บ้านของคุณยังไม่ได้หายไปไหนแม้แต่ตัวเดียว เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไปตามหรอกคุณหญิงโรคเก่าไม่ยอมหายสะทีนะเมื่อไหร่จะรักษาให้หายค่ะถ้าได้เมียเป็นหมอเมื่อไหร่ก็คงหายขาดเมื่อนั้นก็ดีแต่พูดไปงั้นแหละน้ำหน้าอย่างนายละพินไพยวันไม่มีปัญญาหรอกถ้าจะจริงคนอย่างผมจะมีปัญญาอะไรได้นอกจากจับลิงจับข้างมาขายว่าแต่นี้ผมหลับไปนานสักเท่าไหร่นี่ แล้วก็ทะลุขึ้นมานอนอยู่วันนี้ได้ยังไงวะน่าเกลียดจริงๆคุณสั่งไข่แล้วจะกลับลงไปนอนกับบุญคําอีกตามเดิมก็ได้นะว่าสางแล้วครับไม่เป็นไรหรอกผมจะตื่นแล้วจะได้ให้เขาจัดเตรียมอาหารเช้าวไว้ให้คุณหญิงประเดี๋ยวทานอาหารเสร็จจะได้ขับรถไปส่งที่สถานีกักสัตว์ของคุณอัมพลตามคําสั่งแต่แหมเสียดายเหลือเกินเสียดายอะไรไม่ทราบเสียดายที่เจ้าสาวอุตสามาถึงเรือนหอแล้ว ผมก็ยังไม่รับขวัญเธอให้สมกับเจตนาอันน่ารักของเธอวัวแต่งู้งัางอยู่ได้เฮ้อต่อไปนี้เรือนหอ ห, หลังนี้ก็คงเห็นทีจะร้างอย่างที่เพลงเขาว่าเสียแล้วช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าในโลกนี้จะยังมีผู้ชายคนไหนงั่งเท่าไนะพินคนนี้บ้างคุณไม่งูง้างหรอกค่ะแต่คุณเป็นสุภาพบุรุษที่แสนดีของชันมานานแล้วก็เพราะความเป็นสุภาพบุรุษแท้จริงอันนี้แหละ ที่ทําให้ฉันรักคุณอย่างสนิทใจที่สุดเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงฉันก็จะจากไปแล้วอย่ามัวมาทะเลาะหรือกวนอารมณ์กันอยู่เลยฉันอยากจะหลับต่ออีกสักนิดถ้าเป็นไปได้ในอ้อมแขนของคุณได้ไหมคะผมเหม็นสาบนะยังไม่ได้อับน้ําเลยไม่เป็นไรหรอกคุณเหม็นสาบมานานแล้วแต่กลิ่นสาบที่ฉันรักขอกอดนิดได้ไหมตกลงขอจูบอีกสักหน่อยได้ไหมตกลง ขอไม่ตกลงยาหย่านะอา้าวทำไมล่ะครับอยากจะดิ้งมาตอนหัวค่ำทำไมและนี่ก็ตะวันจะขึ้นแล้วหมดเวลาหมดสิน่าเสียดายช่วยไม่ได้เอลคุณหญิงเล็กนิดเดียวเอลฉันเล็กมานานแล้วอย่ายี่สิบสองครึ่งเท่านั้นแต่รู้สึกว่าสะโพกจะหนาขึ้นกว่าเดิมบ้าอย่าซนไม่เข้าเรื่องนะเดี๋ยวเหอะถูกหักนิว้วฉันกับเมย์ไม่เหมือนกันนะจะบอกให้ ผมก็ไม่ได้ว่าเหมือนคุณหญิงน่ารักกว่าตั้งเยอะอย่ามาทําไก่หยุดถามเรื่องนี้ซส็ดทีเถอะขืนถามอีกผมจะทําไมพูดไปให้จบประโยคสิปล้ำคุณหญิงก็ปล้ำอยู่นี่แล้วยังไงเสื้อผ้าฉันมีติดตัวที่ไหนเนื้อตัวก็ดูเหมือนจะเป็นจ้ำไปหมดแล้วกลับไปถึงกรุงเทพสงสัยจะใส่ชุดอัมน้าให้ใครเห็นไม่ได้เป็นอาทิตย์เอาละจะถอดของฉันก็เชิญถอดไปแต่ห้ามถอดของตัวเองนะห้ามไม่เชื่อจะเอาให้ตายเลยเป็นไข้จับสัน่น กลั้นใจจะให้ตายเลยดีหรือเล่าเอาซิจะช่วยอุดจมูกให้ด้วยจะได้หายใจไม่ออกตายเร็วขึ้นอีกเอาละไม่ปล้ำแล้วกอดนอนเฉยๆดีอย่าผิดสัญญานะฉันจะหลับอกีกสักสองชั่วโมงแล้วคุณก็ควรจะพักหลับด้วยดีเหมือนกันผมก็เพลีย จ, จนบอกไม่ถูกเห็นไหมว่าแล้วอวดเก่งไม่ถูกกาละเทศะตอนหัวข้ามเห็นเก่งอย่างนี้บ้างเลยคนไม่มีโชคมันก็ยางนี้แหละครับมาซิ กอดผมไว้เราจะหลับไปด้วยกันเมื่อคืนนี้ทําไมคนดีของพี่น่ารักพูดแปลกนี่แล้วยังไงพี่เองยังได้ประจักษว่าน้องน่ารักทุกเวลาไหนลองว่าต่อไปสิคืนนี้คืนนี้ทําไมยะพี่ให้สัญญาสัญญาว่ายังไงเว้นดาวเดือนบนฟ้านอกนั้นพี่มอบให้เธอยี่เกอหนองน้ําแห้งเสียใจเจ้าคําไม่มีคืนนี้อีกแล้ว ประเดี๋ยวทานอาหารเสร็จขับรถไปส่งชันที่สถานีกักสัตว์ฉันจะกลับแล้วคุณหญิงไปแล้วผมจะเดินเข้าป่าให้เสือมันคาไปกินจสให้รู้แล้วรู้รอดตามใจสิจะเดินเข้าไปให้เสือมันขบหรือช้างเหยียบก็ตามสบายฉันไม่ขัดหรอกแต่ฉันว่าเจ้าสัตว์พวกนั้นพอได้กลิ่นเหม็นสาบของคุณมันก็วิ่งปาราบไปแล้วบอกให้กินยาเสียไม่กิน ก็แล้วไปเรียบร้อยหรื อ, อยังล่ะฉันพร้อมแล้วให้เวลาเพักอีกสิบนาทีแล้วขับรถไปส่งฉันหรือถ้าขับไม่ไหวไม่เต็มใจจะไปส่งท่านให้เกิดขับไปส่งแทนก็ได้แต่มาคืนนี้ใหญ่ยยน้องหมางเหมินไปเล่ารู้ใจพี่บ้างหรือเปล่าว่าจิตรวดร้าวเพียงใดพี่พลังหรือผิดอย่างไรน้องจงให้อภัยอย่าดวนตัดไมตรีสวีทบอกตัวเองอยู่หลายครั้งว่าจะเลิกรักคนป่านี่เสียที แต่ก็เลิกไม่ได้คนแข็งกระด้างผิวนอกแต่ซ่อนแววหวานไว้ในในอย่างเนี้ยจะหาได้ที่ไหนนะบทบนความคุยคุยเฉยเยของคุณนะ่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับผู้หญิงรู้ไหมให้ฉันกลับไปวันนี้ก่อนเถอะและเมื่อถึงวันเกิดฉันคุณต้องขึ้นไปให้ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วฉันจะมาที่บ้านทาศานี้อีกครั้งแล้วก็อย่าหนีหน้าไปไหนสอีกล่ะเลิกคบกันเลยถ้ายังหนีอีกคราวนี้ ตกลงครับผมจะไปส่งคุณหญิงเดี๋ยวนี้แหละความคิดคำนึงของระพินสะดุดชะ ง, งักลงเพียงแค่นั้นสะท้อนถอนใจใช่แล้วเขาจากสุดที่รักในวันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายจริงๆและเขาก็ผิดศัตโดหนีหลอนมาเสียมาตกยากทุกระกรรมลำบากเลือดตาแทบกระเด็นอยู่เช่นขณะ น, นี้เป็นการผิดศัตร์โดยไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาแต่ความจาเป็นขีดสุดบีบบังคับ ป่านชนีดารินวราฤทธิ์อยู่ที่ไหนจะเป็นชั้นใดบ้างหรือว่าลืมรพินไพรวันคนนี้เสียแล้วจอมพรานลืมตาโพรงขึ้นในความมืดพยายามสลัดความคิดนั้นให้หลุดพ้นไปจากสมองควักบุหรี่ออกมาจุดสูบช้าๆประกายจากซิปโปสว่างวูบในถ้ำนรกมองเห็นบุญคำและจันนอนตัวคู้ขนาบชิดอยู่ทางด้านซ้ายและขวาหลับเหมือนตายปัญหาเฉพาะหน้าของเขายามนี้ก็คือ จะดําเนินการต่อไปอย่างไรหากตะวันขึ้นยังโลกภายนอกและหมอกจางสิ้นแล้วพยายามสแสวงหาลู่ทางจนสุดความสามารถเพื่อที่จะชอนทะลุจากซอกโพรงถ้าแห่งนี้ไปให้ถึงถ้าที่เชิดบุลและคริสตินาหลบเข้าไปอาศัยกําบังตัวอยู่ถ้าหลบก้อนหินทันในขณะนั้นให้ได้ซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าจะต้องมีทางต่อเชื่อมถึงกันได้แน่นอนเว้นแต่บุญคํากับตันจะค้นไม่พบเท่านั้นแต่ถ้าหากเชื่อมทะลุถึงกันได้แล้ว ก็จะแน่ใจได้เพียงไรว่าจะสามารถค้นพบบุคคลสาบศูนย์ทั้งสองในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่ปัญหามันก็มีอยู่แต่เพียงว่าถ้าค้นพบทางและถ้าทั้งสองคนหลบเข้าไปซ่อนตัวทันก็ช่วยเหลือได้แน่นอนแต่ถ้าค้นพบทางแล้วแต่การปรากฏว่าทั้งเชร์ดวุฒและคริสติน่าหลบพายุไม่ทันเรื่องที่จะค้นหาศพเห็นจะหมดหวังแน่นอนเราเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรื้อก้อนหิน ที่ถล่มลงมาฝังเป็นภูเขาเหล่ากาเหล่านั้ น, นทักว้นซ่าขึ้นมาคราวนี้ว่หวนลําดับภาพย้อนหลังไปอีกครั้งแต่เป็นเหตุการณ์สดสดร้อนรอนที่เพิ่งจะผ่านมาเมื่อโปรเพลของเย็นวานี้เองก่อนที่ตัวเขาเองและฝ่ายที่ถูกคัดเลือกจะตายหน้าผาขึ้นไปเขาได้บอกอําลาชั่วคราวกับบุคคลทั้งสองเชิดบุ๊ดเป็นคนแรกที่เขาเข้าไปจับมือไว้แน่นโชคดีครับคุณบุดแล้ค่อยพบกันใหม่ภาวนาคาถาหลวงพ่อทวดไว้ทุกขณะและอาศัยความไวให้มากที่สุด บุญคำหรือจันทร์พุ่เข้าไปในซอกถ้ำไหนคุณลาคริสเข้าไปในช่องนั้นให้ได้ด้วยอย่าแยกไปช่องอื่นแม้จะมีอยู่หลายๆช่องก็ตามจําได้ว่าสั่งกับเชิญบุญไว้เป็นประโยคสุดท้ายเช่นนั้นแล้วก็พลาดจนได้บุญคำและจันทร์สามารถหนีหลบเข้าอย่างเส้นทางนี้ได้แต่ทว่าบุคคลทั้งสองมัวแต่ชาโอเอ่กันอยู่คริสเป็นคนทุทตะสุดท้ายที่เขาพูดด้วยขณะนั้นจําได้ว่าลําแสงสุดท้ายของตะวันชิงพรบ สาดจับผิวหน้าหลอนแดงดูเหมือนยอมด้วยเลือดผมเชื่อฝีมือคุณพริสเชื่อเสียยิ่งกว่าทุกคนในคณะขอให้พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองคุณและส่งมือไปให้หลอนจับแต่คริสติน่าไม่ได้จับมือกับเขาสิ่งที่น่าคิดน่าประวัติใจที่สุดเมื่อนึกย้อนหลังก็คือตอนนั้นหลอนเอาการไม้อันสั้นที่หลอนดึงขึ้นมาไดจากการเสี่ยงทายแบ่งพวกว่าใครจะแยกกันไปฝ่ายไหนแล้วหลอนจับได้ไม้สั้น ซึ่งยังถือติดมืออยู่ด้วยได้บรรจงวางไม้อันนั้นลงบนแขนของเขาสัมผัสของนิ้วลอนที่แตะลงบนแขนเขาขณะนั้นมันเย็นอย่าเยือกสถานจะยังไรบอกไม่ถูกนี่คืออนาคตของฉันเสียงพูดของคริสยังแว่วอยู่ในหูมันหดสั้นเท่าเท่ากับไม้ที่ฉันดึงออกมาจากมือคุณนี่แหละ f ฟ r e w e l l r a ประโยคสุดท้ายนั้นดูเหมือนกับว่าจะเป็นการบอกอําลาช่วนนิลันโดยจะไม่พบกันอีกแล้ว เป็นลางสังหรณ์ขีดสุดทำให้เขาต้องใจหายไม่ได้ยินคำนั้นก่อนแล้วแล้วนี่มันก็เป็นจริงตามที่หลอนบอกแฟเวลกับเขากระนั้นลึกพริสเขาพึมพำแผวเบากับตัวเองคุณอาจเข้าใจผิดผมไม่ได้เกลียดคุณเลยแต่ผมก็ไม่มีหัวใจที่จะรักใครอื่นได้อีกแล้วในชีวิตนี้คุณจะต้องไม่ตายได้ยินไหมผมจะต้องค้นหาคุณให้พบ จะค้นหาใครเพื่ออะไรก็นอนพักเอาแรงไว้ซะก่อนเถอะผู้ ก, กองมัวแต่นอนตาค้างเติงอยู่อย่างนั้นจ้างก็ไม่มีแรงมีกําลังทําอะไรได้หรอกกระแสะเสียงหนึ่งลอยมาในความมืดประทบโสดสัมผัสและจิตสัมผัสแล้วก็วินิจฉัยไม่ได้แต่ปรองใจปัดให้มันเป็นอนุสติของตัวเองไม่ตื่นเต้นไื่สงสัยอะไรอีกเทว่าใจก็คิดโต้อตอบออกไปแง่ทรายแกว่าสองคนนั้นตายหรื อ, อยัง ถามพี่ลึกผมไม่ใช่หมอดูหนิค้นหาความจริงเอาเองสิจะใช้วิธีทุ่นแรงเสเรื่อยเออะอะไรก็จิกหัวแงสายใชย้ตะบันเดี๋ยวนี้นะ่ะผมไม่ได้เป็นคนรับใช้ของผู้กองอีกแล้วนาจะบอกให้เออรู้เล้วว่ว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะแกมันยิ่งใหญ่เสียแล้วเป็นถึงสมเด็จพระเจ้าจั ก, กราธิราชแห่งมรกรนครโน่นส่วนฉันมันก็ไอแค่พรานป่ายากอนาถาอยู่อย่างเดิมนั่นแหละ ก็อยากวางมาดเป็นพระเอกตลอดการเองนี่นะช่วยไม่ได้ผู้หญิงก็จะเอาไปเลี้ยงก็ยังทําเป็นหญิงมันก็ต้องลําบากอย่างนี้แหละฮ่าฮ่าสมนําหน้าแล้วนี่กระเสือกมาพูดกับฉันทําไมไรว่าผมเสือกผู้กองคิดเองตอบเองตะะ่างหากลองเปิดไฟล์สองหาดูสิมีแงา้ายอยู่ที่ไหนพอจนท่าเข้าที่ขับขันหรือจะตายไม่ตายแหละทีไรผู้กองก็มองเห็นและได้ยินแต่เสียงของผมทุกครั้งไปแหละ ถ้าที่เคยรับใช้เป็นลูกไล้มานาในยุคโน้นผู้กองก็เป็นเช่นอย่างนี้แหละอยู่ใกล้ก็ทําเป็นหยิงเตะท่าพอห่างไกลไม่มีโอกาสจะพบเห็นอีกแล้วก็คิดถึงไม่ว่ายอดรักหรือเพื่อนตายอืมจริงของแกแงาสายบอกให้ลุงคํากับนจันร์หลับเจี๊ยแต่ทำไมตัวเองถึงไม่หลับมั่งฉันหลับไม่ลงจะต้องให้แงาสายร้องเพลงกลองอีกไหมไม่ต้องไม่ต้องแกร้องเพลงที่ไรมันเสียดแทงเข้าไปในหัวใจของฉันทุกทีไปให้พล น, น, น์จากดวงจิตของฉันเสีย ด, ดีกว่าเจ้ากันล่อน ไปก็ได้ดูแลตัวเองก็แล้วการเตือนให้รู้ไว้ทำใต้ภูเขาลูกนี้มันแรงนะักแต่ผู้กองก็สิทธิ์มีครูไม่ใช่หรือสะกดไว้ให้ดีอย่าประมาชาลาถ้าเผลอพลังจิตอ่อนลงเมื่อไหร่เป็นเซจเมื่อนั้นผมไปละประพินพนมมือขึ้นบนอกในท่าที่นอนงายอยู่เริ่มสวดมนต์ภาวนาแล้วหลับไปเมื่อไหร่ตัวเองก็กาหนดไม่ถูกเหมือนกัน